ควบคุมไม่อยู่พี่เจ้าผบอกว่าหาดควบคุมความคิดไว้ไม่ได้ซึ่งมันฟุ้งไปจนแบบว่าไม่หลับไม่นอนเลยเนีหรือวันทําให้กอ่อกวนการหลับการนอนของเรามันให้เป็นสุขพิชไปพิชมาอย่างนั้นอะไรคิดแต่เรื่องนั้นนะเรื่องนี้อยู่นั่นนะอสำสำ่ะครับซ้ำๆเจ้าก็เลยบอกว่าแบ่งความคิดไปเป็นสองเรียกว่าดเวธาวิตตกะวิตตักกะคือความวิตกครับคําว่าวิตกนี่มันมันมันไม่ใช่เรื่องที่คิดนะ เป็นเรื่องขการปรุงแต่งที่เรียกว<า>่านี้<ไ> อ, ออกจากความจริงนะคำวาวิตกเนี่ย ม, มันที่กลัวคําว่าวิตกคือเรื่องที่คําว่าวิตกเนี่ยต่างจากคําว่าคิดนะสังขารขันตอนแรกสังขารขันทำทำหน้าที่ในการปรุงแต่งลูกปรุงแต่งเวทนาปรุงแต่งสัญญาปรุงแต่งสังขารและปรุงแต่งวิน ญ, ญาณครับคือปรุงแต่งในลักษณะลูกโดยความเป็นลูกปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขาร ปรุงแต่งวิญ ญ, ญาณโดยความเป็นวิญญาณคือมันต้องปรุงครับแต่วิตกนี่คือมันเป็นการปรุงหนีออกจากรูปที่มันปรุงอยู่แล้วเช่ น, ม น, ไ, นไม่ได้ปรุงรูปโดยความเป็นรูปเช่นปรุงมันรูปนี้เรารักเราชังเราโกรธเราเกลียดเราพอใจเราไม่พอใจมันไปนู่นแล้วไงมันไม่ได้ปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปอย่างนั้นแค่เราวิตกไปแล้วเป็นเรื่องวิตกนะถ้าปรุงแต่งรูป หรืเวทนานี้พอใจพอใจกดเกลื่อนรักชั้นขึ้นมาสัญญาสิ่งที่เรื่องที่จําก็เป็นสุขเป็นทุกข์พอใจพอใจกดเกลื่อนรักชั้นขึ้นมาพราะนี้เป็นวิตกเพราะฉะนั้นในชั้นที่พระองค์ทรงตัดถึงวิตกเนี่ยให้ให้รู้ว่านั่นคือมันหนีออกจากมันหนีออกจากฐานแห่งความจริงไปแล้วอ๋อวิตกนี่ไม่อยู่ในฐานความเป็นจริงหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในฐานของความจริงวิตกอนะ่ย คิดอย่างเดียวฟุ้งอ่ะคือเรื่งฟุ้งซ่านอ่ะค bon ือ <No คิดเรื่องเดียวซ้ําๆอยู่น bueno ั่นนะไม่ไปไหนคิดอยู่น okay ั้นนะครับไม่ไปตามอาการไม่ไม่ใช่คือคิดหลากหลากหลายเรื่องคิดหลากหลายเรื่องไม่ไม่จำเป็นว่าคาว่าวิตกไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความกลัวความวิตกกังวลอะไรประเภทนี้วิตกคือสิ่งที่คิดไม่คิดแบบฟุ้งออกไปต่อเนื่องกันแบบหาที่ยึดติไม่ได้หาขวามสงบไม่ได้มันกังวลกระบไปอยู่ภายใน พี่โตฉะนั้นแล้วพวกองค์จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะนะะให้แบ่งความคิดเป็นสองว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยจะเป็นความคิดอะไรก็ตามอย่าไปห้ามมันแต่สิ่งที่คิดอยู่เนี่ยแบ่งเป็นสองความคิดนี้เป็นกุศลหรือเปล่าความคิดนี้เป็นอกุศลหรือเปล่าถามตัวเองสิ่งที่คิดอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลครับางคนนอนกําลังนอนเพิ่มไปจิตคิดไปถึง เอเรื่องที่จะทําในพรุ่งนี้แบบเรื่องที่จะทำพรุ่งนี้ทำเดื่อนั้นนั้ น, น, นคิดไปคิดมาคิดมาให้ก็ น, น, นอนไม่หลับเลยทนี้ <c ười> ใช่ไหมเพราะให้ตั้งคําถามว่าสิ่งที่คิดอยู่นี้เป็นกุศลด้วยกุศลถ้านอนไม่หลับน่าจะเป็นอกุศลไหมครับฮะไม่ใช่มันมันก็ต้องรู้ว่าเป็นอันแรกเนี่ย ร, รู้กันทักสามก่อนรู้ว่าเป็นอดีตอนาคต จากนัก็รู้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นกุศ ล, ลหรืออกุศลทายนล้วเหรอก็เลยแบ่งแบ่ ง, งความคิดโดยพาวิตติกาแบ่งความคิดเป็นสองถ้ารู้ในขณะที่คิดนั้นถ้าเป็นการงานการงานจะเป็นกุศ ล, ลหรืออกุศลก็แล้วแต่ว่าการงา น, งงานเป็นกุศลนะครับถ้าเราตั้งใจทําโดยที่ว่าน่าจะเป็นกุศลถ้าจัดจในกุศลก็บอกว่านี่คือความคิดที่เป็นกุศลครับผม ถ้าเป็นอกุศลก็จัดความคิดนี้ว่าเป็นอกุศลถ้าเราไปรู้ว่าขณะที่คิดนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเก็จะว่าการแบ่งความคิดไวสองความคิดอันนี้แล้วก็วางความคิดทั้งกุศลและอกุศลลงมานี้ก็คือกุศลละจิตนี้คืออกุศลจิตให้เข้าไปทักทักจิตนี่คือกุศลจิตเรากําลังคิดเรื่องอกุศลเรากําลังคิดเรื่องอกุศลจิตกําลังคิดเรื่องอกุศลจิตกําลังคิดเรื่องอกุศลก็เลเข้าไปทักเข้าไปรู้ ขณะที่เขาไปทักปั๊บเนี่ยมันจะหยุดขณะที่คิดขณะที่ทักอยู่นี่ยมันเป็นปัจจุบันอ๋อมันจะทราบภายในมันจะจิตเราจะทราบภายในอ๋อเรากําลังนอนที่ว่างถึงแม้จะคิดเรื่องพุ่งนี้เราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ในตอนนี้จะไปทําได้ยังไงมันต้องเป็นเรื่องของพวกนี้ถึงจะไปทําได้มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาคือบางคั้เราหลงนะครับเราหลงไปกับจิตมันเป็นแค่ความหลงเป็นความหลงชั่วคราวแต่ความชั่วคราวเนี่ยมันยาวเลยถ้าเราไม่เข้าใจ อาจารย์ถ้าเราเข้าใจเราก็ไปทักว่าอันนี้เป็นอกุศลนี้เป็นกุศลแล้วก็ต้องทักคือเหมือนกับว่าเตือนจิตหรือเตือนความเขาเรียกอะไรฮะคือเหมือนกับว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะหลงไปแต่ว่าถ้าเราไปทักท <ise> ีอยนี้บางคนบอกว่าเอาแล้วถ้ามันทักกุศลอกุศลแล้วมันไม่หยุดทําไงพระยาบอกว่าต้องใช้สันฐานวิตติกะสันนิฐานสันฐานครับผมสันฐานคือไปหาฐานของมันฐานของความวิตกเนี่ยมันวิตตกเพราะอะไร จุดที่มันเกิดขึ้นมาคืออะไรมันตกเพราะอะไรเพราะสาเหตุครับใช่ครับสาเหตุของสันธนที่ตักกัฐานของมันฐานที่ก่อให้เกิดที่ตกตัวเนี้ยมาจากไหนเรื่องที่เกิดขึ้นมาะก็ก็ให้ไปไปรู้จักตัวนั้นผู้ยบอมว่าทำสองอย่างอันแรกแบ่งจิตหรือว่าแบ่งความคิดเป็นกุศลอกุศลมันว่าดีหรือไม่ดีความคิดสองความคิดเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี้ยมันดีหรือไม่ดีถ้ามันควบคุมไม่อยู่ไปดูที่เกิดพวกมันเราสันธานวิตตักกะ เกิดมาจากไหนความคิดนี้ยากจังเลยอะยากจังเลยแรกๆก็ยาก <c oughs> แต่ว่าคือไปนานๆก็ไม่ยากมันเหมือนกับว่าสังเกตดูว่าความคิดเกิดจากไหนจิตนั่นแหละอยู่ตรงไห น, ส, น, ไหนส่วนไหนที่เราจะสามารถรับทราบได้เพาว่าจิตจิตมาจากการปรุงแต่งนครับความรู้สึกความคิดจิตไม่ไม่เรา เราพูดถึงจิตนี้คือเป็นเป็นผลรวมของนามขันศีแล้ว อ, อ๋อรวมเรียบร้อยนะเป็นผลรวมแล้วคําว่าจิตมันก็พูดถึงกายเป็นผลรวมมาจากท่าศีแล้วนะพูดถึงกายหรือว่ารูปหรือว่าตัวตนเนี่ยตัวกายเนี่ยเป็นผลรวมแล้วทีนี้เราพูดถึงคําว่าจิตเนี่ยอาจิตคือผลรวมของนามศเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตเนี่ยอาศัยอยู่ตรงไหนที่เราจะสามารถรับทราบได้ทำเลยทำเลยยังไม่ใช่ จิตมาจากอาตมารับทราบได้ตลอดเวลาว่าจิตอยู่ที่ไหนทุกๆกขนะอยู่ที่ตัวเราถ้าอาตมารับทราบได้ตลอดใช่อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละแต่ว่าอยู่ส่วนไหนของของตัวเราในร่างกายหรอในร่างกายดิอ๋อพูดถึงในร่างกายจิตไม่ได้งอยู่นอกร่างกายหรอกจิตอยู่ในใจอันเดียวกันไม่ได้นะฮะคือการรับรู้รับทราบจิตก็อยู่ในสมองเลยในสมองอีกอ้าวไปจิตอยู่ที่ไหน จิตอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมชาติของตัวเราฮะมันก็ถูกอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนล่ะส่วนไหนล่ะก็อยู่ที่เรากําหนดว่าจะให้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยกาหนดจิตนะแล้วกําหนดไว้ตรงไหนตอนนี้เระตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่นี่แล้วฮะอยู่ที่นี่คือตรงไหนส่วนไหนของไก่ส่วนไหนส่วนจิตอยู่ในความคิดตอนนี้อยู่ที่ตา จิตก <devoir S 1> <ด>็คืออัน <ef components S 2> นี้นอันนี้แสดงว่าอันนั้นรู้อาการของจิตเฉยๆแต่ไม่รู้ตัวจิตครับ <lusive. S 3> สิ่งที่เห็นเป็นอาการของจิตสิ่งที่ได้ยินเป็นอาการของจิตสิ่งที่ดมกลิ่นริมรถสัมผัสและแม้แต่อารมณ์ที่จิตไปรับทราบก็ยังเป็นแค่อาการของจิตยังไม่ใช่ตัวจิตสิ่งที่ที่เราไปเห็นเรารับทราบได้เป็นแค่บินยานเป็นอาการของจิตเฉยอาการรับรู้การรับสุบรับรู้ตัวจิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ก็ถ้าผมคิตแล้วเอืจิตมก็อยู่ที่อื่นแลที่ไหนอ่ะอยากรู้ฐาน้องจิตมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ไหนจิตก็ที่ใจเราที่เลยค่ะตัวเราที่เลยค่ะไว้กับโทรศัพท์เนี่ยถ้าไม่ใส่ซิมมันโทรได้ไหมไม่ได้เอาซิมใส่เข้าไปในในระบบของมันก่อนใช่ไหมถึงจะถึงจะใส่ได้ถึงจะโทรได้ครับแล้วแล้วมันเวลาเราโทรไปนั้นไปนี่ซิมมันได้ย้ายออกไปจากโทรศัพท์ไหม มันก็อยู่ที่ตัวโทรศัพท์นั่นแหละเวลาโทรแล้วมันไม่ได้ออกไปทางนู้นเลยไม่ได้วิ่งไปหาคนที่เราโทรหามันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละมันเป็นกระแสจิตจิตออ ไ, ไม่ว่าจะคิดไปไหนก็ตามไม่เคยออกไปนอกกายอยู่ในกายนั่นแหละแต่สิ่งที่คิดออกไปนะเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตเข้าในจยังจแต่แที่ออกไปเป็นสัญญาณที่เฉยนะเข้าใจยังเป็นสัญญาณมันไม่ใช่ตัวตัวสิ่มันออกไปฉะนั้นจึงถามว่าจิ ต, ตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ในกา <ไป S 1> ยนั่นแหละครับ อยู่ในตัวเราด้วแหละเราอยู่ในส่วนนเราอซิมอันนี้จตอ่นซิมจิตอยนซิมอนี้ค่ะก็ไม่เปรียบเทียบซิมเหมือนจิตเปรียบเทียบอย่างนั้นให้ฟังนะบางคนเข้าใจว่าจิตมันออกไปนอกมันออกนอกไม่ได้เนอกจิตก็อยู่ในข้าสีรษะนี่ครับนะ ท่าศีแล้วส่วนไหนของท่า4ีท่าศีันหรวมทั้งหมดอ่ะมีทั้งกายทั้งใจอยู่แล้วนั่นก็เรียกว่าจิตเออเอาต่อมาเคยเทศแล้วนะเทศเมื่อวานสวันนี้ครับนไจิตไม่ออกไม่ใช่เทศเทศมาแล้วจิตติตามกันจริงหรือเปล่านี่เอฟซีจริงหรือเปล่าเอฟีค่ะค่ะแต่ถ้า 4G มันหมดมันก็ใช้ซิมไม่ได้ทุกอย่างถ้าศีจีมันหมดมันก็ใช้ซิมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสัญญาณออกไปมันก็รับสัญญาณเวลาเวลาเราเคยรเคยรู้สึกมีอาการตกใจไหม ตกใจอะ ต, ตกใจรู้สึกอยู่ที่ไหนตกใจรู้สึกอยู่ที่นี่จิตรลุดหอยู่ตรงไหนอ่ะจิ ต, ตมันจะมันมันมันแสดงออกที่ตรงไหนมากที่สุดเวลาตกใจใจเต้นแรงฮะใจเต้นแรงใช่ไหมครับข้อหัวใจเขากตกใจคือมันตกลงไปในนี้จิตมันตกลงไปในฐานของมันที่อยู่ของมันพอเข้าใจยังฐานของจิตอยู่ที่ที่พวกหัวใจพวกหัวใจเรียกว่าหาไทยวัตถุครับจําไว้เลยนะ เพราะฉะนั้นหากจ ะ, <owan us. S 1> จะดูฐานของความคิด <ad> ให้สังเกตดูว่าให้ให้รับรู้อยู่ที่ท่ามกลางอก of, และรับรู้ว่ามีความคิดอะไรผุดขึ้นมาที่ท่ามกลางอกหรือเปล่าหากเราสามารถรับรู้ความคิดที่ผุดขึ้นมาจากท่ามกลางอกได้โดยที่ไม่ใช่สมองความคิดไม่ได้อยู่ที่สมองนะมันอยู่ที่นี่นี่คือแหล่งผลิตของความคิดอยู่ที่ท่ามกลางอกนี่หากเราสามารถ ร, รับรู้รับทราบความคิดที่ผุดขึ้นท่ามกลางอกได้ เราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในกายของเราก็คือสมองเราจะโลง่งแต่เพราะเราไม่เข้าใจว่าฐานของความคิดมันอยู่ที่ท่ามกลางอกนี่เราไปอยู่กับความคิดที่สมองเนี่ย<อ>สมองเราเครียด<ม>ยิ่งเครียดนก็จะหลั่งอะดรีนาลีนแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรากระสับกระส่ายแต่ถ้ารู้ฐานของความคิดเกิดขึ้นที่ท่ามกลางอกฐานของความคิด ขึ้นที่นี่สมองเราจะไม่ปวดมันจะมันจะโล่งมันจะไม่เพียรมันจะมาเห็นสภาพการเกิดขึ้นของความคิดที่ทำกับ น, นั่งสังเกตดีๆนั่งจับอาการดูดีๆนะมันไม่ได้ใช่เครื่องเรื่องนี้ลับอะไรเลยนั่งดูดีๆว่าความคิดเกิดจากนี่จริ ง, งไม่ได้เกิดจากที่สมองท่าน เวลาตกใจทใําไมเรารู้สึกที่ที่ท่ามกลางอกใจหวาน ใ, ใ, ใจดิว๋วใจตกใจอย่างเงี้ยมันใจจะเต้นแรงมันมใจจะต้องเต้นแรงแล้วบีบตัวเร็วสั้นทีเห็นไหมเพราะว่าจิตมันอยู่ที่นี่สุดๆการอยู่ตรงนี้ครับทนะ่านเราจะส่งต่อไปครับเนาะไม่มได้อยู่เหนือสะดือสองนิ้วอย่างที่ขอไม่มได้เราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ีนี่เราพังหรืออยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่หาใจวัตถุขพอความจูในใจ นั่งมองความคิดให้ดีๆคือให้ให้การรับรู้อยู่ที่ท่ามกลางอกวิตักกักสันฐานสูตรจะเห็นว่าวิตกนี่คือความคิดทั้งหมดสัรฐานฐานในตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แล้วจะเห็นมันผุดเกิดขึ้นเหมือนกับเรากําลังมองน้าแล้วเห็นน้ําอะไรมองน้ำอากาศในน้ําที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาอย่างนั้นผู้เจียบอกหากฝึกอย่างนี้จะสามารถ ควบคุมความคิดแต่คำว่าควบคุมไม่ได้ไม่ให้มันหยุดคิดนะรู้ความคิดที่เกิดจากตรงนี้แล้วไม่สนใจเลยเรื่องที่คิดเห็นแต่อาการเกิดขึ้นของความคิดอยู่ภายในความโศกความเศร้าใจความผีดดีที่ไรําพันความโกรธความเกลียดความรักความชังพอใจไม่พอใจอยู่ในนี้หมดที่เขาเลยว่าถ้าสบายใจก็สบายอกสบายใจถ้าเดือดร้อนใจก็ เหมือนกับไฟสุมสวนใช่ไหมร้อน อ, อกร้อนใจใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าร้อนหัวะร <ś p ies> ้อน อ, อกร้อนใจอยู่นี่ <ś p ies> หากเราเห็นความคิดเกิดขึ้นจากนี่แล้วมันจะลดภาระสมองนี้เยอะเลยสมองจะโล่งสมองจะว่างแล้วคนที่สามารถเห็นความคิดผุดเกิดขึ้นที่ทํากาโหกได้จะเกิดความรู้แปลกประหลาดขึ้นภายใน <ś p ies> หากฝึกดูอยู่บ่อย เป็นมันจะเกิดความฉลาดภายในส่วนตัวของตนเองเป็นคือใครต้องการที่จะใครเขาเรียกว่าอยากจะเป็นอัจฉริยะฝึกดูจิตตรงนี้ฝึกดูความคิดฝุดเกิดขึ้นตรงเนี้ยเป็นได้มันจะค่อยๆเปิดศักยภาพภายในของตัวเองออกมาแต่ก่อนเราใช้สมองคิดคิดคิดคิดคิดทุกอย่างเลยตกเป็นภาระของสมองพอสมองเครียด เราก็ถูกจํากัดไว้ในความสามารถที่สมองมันมีแต่ถ้าจิตคิดมันเป็นนามธรรมามันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมเรื่องที่เกิดก็ปคอยกา ร, รับทราบเรื่องที่เกิดถ้าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นนี่คือความคิดเกิดขึ้นเราก็รับทราบนี่คือความคิดเกิดจากตรงนี้หานของมัอยู่ตรงนี้วิจารวิตรั ก, กสันฐานจิตมันจะลงไปสู่สมาธิแต่ไม่ใช่เป็นแบบตัดขาดการรับรู้นะเป็นสมาธิที่เป็นธรรมชาติ ที่พูดอีกไหมถึงว่าทําได้นะทุกคนทําได้นะถ้าไปทําคือทีื่องไม่เข้าใจที่ว่าเป็นเรื่องของสมองขณะที่าถามอัตม า, าอยู่เนี่ยเห็นความคิดผุดเกิดขึ้นทามกลางอกไ้มครับเห็นไหมหรือเห็นอยู่ที่สมองคือมันก็มาจากคือตกที่ว่านั่นแหละขณะที่คุยกับอัตม า, าเนี่ยเห็นเห็นมันผุดเกิดขึ้นไหมทุกๆขณะที่อัตมาพูดอัตมาเห็นความคิดออกจากนี้หมดเลยไม่ได้ออกมาจากสมองไม่ใช่ออกจากสมองนะฮะ คิดว่ามันออกจากสมองตลอดเวลาสมองเป็นเพียงแค่พูดรับคําสั่งการและตอบสนองให้กระทําออกไปอ๋อมันเป็นการส่งเป็นช่วงไปครับนะส่งต่อใช่คือเรายัางแยกแยะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของสมองจริงจงเรื่องนี้ไม่อยากจะสอนเพราะว่ามันยากไม่ใช่ไหมยากง <Yeah. S 2> ่ายมากเลยนะแต่ว่ามันจะมันจะโยงไปเรื่องอื่นที่ นำไปสู่ความงงงงกับการปฏิบัติของคนแต่ถ้าถ้าลองจับจับดูมันจริงๆนะเรานั่งอยู่ที่เฉย อ, ยอย่างนี้อ่ะนั่งทุกคนนั่งเงียบๆ อ, อย่ามาจาับความความคิดอยู่ที่สมองให้ให้มีการรับรู้อยู่ที่แต่อย่าไปจดจอ่อเพื่อให้รู้อยู่ที่ท่ามกลางโขกเฉยๆแล้วก็ดูว่าความคิดมันพูดเกิดขึ้นตรงนั้นหรือเปล่า มันที่บางคนว่าสวรรค์ในอกนรกในใจครับถ้าใจมันอยู่ไม่ได้หือไม่ไมอันนั้นคือคําพูดอันนี้ธรรมาต้องการให้รู้ความความจริงที่มันเกิดจากตรงที่ท่ามกลางอกจริงๆตอนนี้ยนั่งดูเขาเริ่มถามจิตไหมเห็นไหมได้เห็นได้ไหมรับศาตรได้ไหมได้จิตมันคิดอะไรมันก็จะขึ้นที่ทําทําให้เราคิดแบบนั้นเห็นไหม ความกลัวถามว่าความกลัวมันเกิดเวลามเกิดเกิดที่สมองไหมดิ้นเกิดจากจิตสมอเลยนเราจะเห็นอาการที่อยู่ที่นี่ดิ้นอยู่ที่นี่ใช่ไหมกลัวอยู่ที่นี่ใช่ไหมตกใจเห็นชาตที่สุดตกใจจะเห็นชาติที่สุดนี่คือวิธีการที่พวงทรงพยายามสอนพระอาตมาก็พยายามจะค้นหาว่า ที่พระวงศ์ทรงสอนดเวทวิตตักกัสูดอ่ะอันนี้พอจับประเด็นได้ว่าให้แบ่งความคิดเป็นสองแต่พอวิตักกัสันฐานสูต ร, รอกความคิดมันเกิดจากไหนตรงเนี้ยฐานของความคิดไปดูหลักฐานมันข้อหาอยู่ตั้งนานทีแรกอย่างนี้แต่อตามาหาไม่ใช่ไปหาก่อนที่จะมาอ่านพุทพจน์นะเจอก่อนแล้วเพราะตอนนั้นตั้งแต่ภรรษาแรก ตอนนั้นอ่านหนังสือเกี่ยวกับยิปอะไรปรัศนาสติปัฏฐานสี่อ่านเกี่ยวกับสติปัฏฐานสีมันมันเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าอาตมาอ่านจบแล้วปั๊บเนี่ยมันมีความรู้ขุดเกิดขึ้นท่ท่ามกลางอกขึ้นมาเลยอ่านกายานุปสัสสนาเวทนานุปสัสสนา จิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนากายานุปัสสนาเป็นยังไงเวทนานุปัสสนาเป็นยังไงเวลาอ่านภาพล้วก็คิดตามคิดตามคิดตามคิดตามจนไปถึงธรรมานุปัสสนาเป็นยังไงยังไงพออ่านจบปุ๊บ ก, กายเวทนาจิตธรรมสรุปแล้วมีไว้เพียงแค่สักแต่ว่าให้รู้เท่านั้นพอ<ม>อ่านจบตรงนี้ปั๊บความรู้มนผุดเกิดขึ้นที่<ม>ทําการผมวื้อขึ้นเหมือนมีสักแต่ว่าให้รู้ มันก็เลยเข้าใจสติปัฏฐานไปโดยไม่ต้องไปเจริญสติปัฏฐานเลยมันรู้อิริยาบถเลยทุกอย่างกายเวทนาจิตธรรมมันรู้ในขนาดนันขนาดเดียวแต่ไม่เกิดการบรรลุแต่ได้ความสงบได้ความรู้ได้ความเขาเรียกว่าอนะไรตัวสติเนี่ยมัดเกิดขึ้นตัวระลึกรู้นีรู้อิริยาบถของกายทุกๆอิริยาบถ ท, ทุกๆขนา มีสัพปะชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ฐานานั้นก็ไม่เปิ ก, การบรรลุตั้งแที่รู้อย่างนั้นตลอดยีบสี่ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้เพ่งรู้โดยที่ไม่ได้บังคับให้ดูเพราะอะไรทําไมถึงไม่บรรลุเพราะไม่ได้เป็นการเจริญมั้ยเราไม่รู้ว่าเป็นการเจริญมั้ย <c oughs> แต่เราเข้าใจว่าเจริญสติปัฏฐานสแล้วจะปิปบรรลุ ก็ไม่บรรลุลกเอาไปจับได้หรือยังนั่งบดอความคิดเกิดขึ้นที่ท้ทกบกระอกหรือที่ไหนยังที่สมองเหมือนเดิมลหะอโอ้ยต้องไปฝึกใหม่ ต้องไปฝึกใหม่ตอนนี right ้จะไปรู้ไปรู like? uh ้มันออกมาจากจิตนะออกมาจากหัวใจนะฮะคือใหรถ้าใครสามารถเห็นความคิดออกจากข้ามตามผกได้นั่นคือเหตุฐานของมันนะผมว่าต้องมานั่งเหมือนนั่งดั้งดั้งทำสมาธิหรือทาจิตเทคนิคแล้วก็ค่อยๆสังเกตแล้ม่ไม่ๆม่เอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยสิ มันจะยากไปนะครับไม่ยาไม่ยามันความจริงอยู่ตรงนั้นใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้เใช่ไม่ใช่คิดรับทราบรับทราบอามความคิดสังเกตเลยเหรอว่าเราจะมีรู้สึกอาการปวดหัวจะหายไปเขาไม่ได้ใช้หัวนะครับใช้จิตใช้อะไรก็ถูกเป็นตัวคิดออกมาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนจากที่ว่าใช้หัวกายเป็นแบบมาดูในจิต้องนี้ดีกว่าขณะที่กําลังพูดอยู่เนี่ยเห็นความคิดขึ้นมาจากข้ามการบุมัน ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่เห็นไหมก็ยังสังเกตไม่ได้ใครจับก็ใช้ไปไม่ได้ก็ไปจับให้ได้ก็ไปจับให้ได้ใครจับได้แล้วบ้างครับใครจับได้แล้วบ้างไหนี่มันยังไม่ได้จับไปแล้่อารมณ์คือมันจะสุบหัวมันดีใช่ใช่เริ่มจับจับตรงนี้ไปก่อนเริ่มจากจับความรู้สึกพอใจไม่พอใจไปก่อนมันก็คือความคิดหนึ่งกันเลยเข้าใจไหม แล้วมันจะเข้าไปเห็นฐานของมันที่แท้จริงในภายในไม่พอใจไม่พอใจไม่พ อ, อ, อรู้อยู่เพราะนั่นแหละเริ่มจับเริ่มจับจากตัวนี้ไปก่อนโอเคไหมเออจับจับอาการตัวเนี้ยแล้วก็ดจอดูอยู่นันจ่จอดูจอดูจอดูจอดูจอดูอยู่เรื่อยรับทราบอยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่บังคับแต่เป็นการฝึกที่จะรับรู้รับทราบฐานของจิตพวกเราวิตรั ก, กสันฐานสูตรจะเป็นตัวตัดความฟุ้งของจิตได้ดีเน้น เพราะนั้นเรื่องของปีติปีติเรื่องของการตายใช่ทั้งปีติมันจะเกิดที่นี่สุขจะเกิดที่นี่ใช่ไหมก็เนี่ยนี่ในฐานมันอยู่ที่นี่แต่ถ้าเป็นความคิดความคิดให้เห็นความคิดผุดเกิดขึ้นที่ตรงนั้น อ, อย่าให้ไปเห็นผุดที่สมองเพราะเราใช้สมองมาจนติดเป็นนิสัยจนเคยชินโดยที่ไม่เคยรักษาตัวสมองไว้เลย จิตจะว่องไวกว่าเดิมความคิดจะว่องไวกว่าเดิมจ ะ, จ ะ, จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดกว่าเดิมจะเฉียบแหลมกว่าเดิมจะแยบายกว่าเดิมถ้าเราสามารถจับความคิดที่ผุดเกิดขึ้นภายในนี้ได้จริงๆทําทำไม่ได้มันจะได้ผลตามที่ตรรมมาว่าแล้วบางคนนี่ถ้ามีอุปนิสัยในจิตมาแต่ปางก่อนที่ดีนี่นะจะเกิดความอัศจรรย์ที่ตนเองนี่แทบ เรียกว่าก็อศัศจรรย์ในตัวเองโอ้เป็นได้ขนาดนี้เลยหรือฝึกไม่ใช่มาจับฝึกนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำอันนั้นมันไม่เฉล๋ยวฉลาดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ให้ทำแต่อย่าไปให้ความสำคัญปากเกินไปกว่าการที่นิพิจรารณาอะไรปรงทำ ใชชีวิตประจําวันนะใช้กําลนดรู้นะเพราะฉะนั้นการพิณาทั้งหมดทั้งมวล ท, ที่อาตมาฝึกมาที่อาตมาสามารถจับมันได้ตั้งแต่วันที่จับได้เ่ทุกอย่างจะถูกผ่านการที่นาอยู่ภายในเห็นอยู่รับรู้รับสราบที่นี่หมดเลยองค์ความมันก็เกิดขึ้นที่นี่มันจะแผ่ธาตุออกไปแบบไหนก็ตามก็ออกจากตัวนี้ความเกิดจ้าความเด่นดวงความอะไรมันมันจะเห็นทุกๆขนา ก็จะออกจากตัวนี้การเขามันเหมือนบุญหนุนจิตนะครัเหมือนลักษณะเหมือนเดียวกันนะบุญหนุนนําจิตตอนนั้นความคิดอาตมามันมีเยอะเกินไปสมัยที่บวชใหม่มันดิ้นเลยเห็นอาการดิ้นมันร้ะมันอยู่ในอกเนี่ยมันมันมันทรมนตรายอ่ะมันอยู่ข้างในเนี่ยมันรู้สึกมันมันไม่ได้ใจก็เลยเอ๊ะมันอะไรอยู่ในนี้อะไรอยู่ในนี้ตอนแรกก็ตั้งคําถามว่าจิตนี้ มันมีตาเลยทําไมมันสามารถนึกถึงภาพเห็นภาพต่างๆได้ในอดีตมันมีหูแล้วทําไมมันได้ยินเสียงมันพูดของมันมันคิดของมันมันยได้ยินตัวมันแต่คนอื่นไม่ได้ยินใช่ไหมครับแต่เวลาจิตมันคิดเนี่ยเราได้ยินเราได้ยินตัวความคิดของเราเองใช่ใช่ไหมเราได้ยินที่ที่สมองเรืยยินที่ตรงนี้ปกติต่ตมามันมาจับเห็นอยู่ที่นี่เลย มันมันพูดได้มันได้ยินมันนี่หูนะทำไมมันได้ยินตัวมันเอ๊ะมันคิดอะไรมันมันรู้มันได้ยินมันหมดเลยเนี้ยการมาเป็นว่าตอนนี้เราเรารู้แล้วว่าจิตคือเป็นต้นต้นเหตุหรือว่าจุดกําเนิดของความคิดทุกอย่างมาก่อนเราไม่เข้าใจที่ว่าต้องเป็นสมองหมดตอนนี้ก็เหมือนเหมือนการพูดตอนนี้ก็คือรับทราบว่ามาก่อนเราเราแต่มันไม่มีไม่มีตัวให้เห็นแต่เมื่อเรารู้ว่าจิตมันอยู่ที่ตัวฮาไทยแล้วก็ไม่ยาก ก็รับรูอ้อีที่นี่เหมืนก็นว่าเราเงรู้จักตัวมันแมันเือมาจารพูดคู่นี้เองเลยเพิ่ง <c oughs> จับได้ไหมเริ่มจับได้แล้ว เ, เริ่มรู้แล้วว่ามันออกจากจิตไปหมดเลยหรือเ่าทุกอย่างที่พูดทุกอย่างที่คิดมันออกจากตัวนี้หมดเลยไม่ได้ออกจากสมองเราไปเข้าใจผิดตั้งนมตั้งนานว่าสมองเป็นที่ผลิตความคิด การคำผสมผ่านมาตั้งปากที่เราจะพูดใช้จิตจคิดกับใช้สมองคิดจะได้ผลต่างกันมาก <c oughs> สมองจะมีข้อจํากัดในการคิด <c oughs> แต่จิตไม่มีข้อจํากัดเลยไรข้อจํากัดไรขีดจํากัดเมื่อก่อนเราคิดว่าเราใช้สมองทุกคนจะพูดแต่เรื่องใช้สมองไม่เคยคิดว่าจิตสําคัญเพอถ้าเราเข้าไปเห็นจริงๆแล้วเราจะเห็นทั้งความว่างทั้งความคิดที่เกิดจากความว่าง เมื่อมันมีความว่างเป็นอานรองรับที่เห็นความคิดเกิดขึ้นผุดเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ, ๆไอ้ความว่างมันเลยทำให้เกิดการไร้ขีดจำกัดในสิ่งที่จิตคิดต้องจะมีความว่างอยู่ในนั้นด้วยเราจะเห็นเองสรัรผัทรา้เอง แตดงว่ามันอิสระมากครับไม่อิสระไงสแสดงว่าคนคิดไปถึงจิตวิปลาสหรือบางคนก็คิดในระดับหนึ่งอ่ะนะคือควบคุมไม่ได้แล้วถ้าเป็นอิสระอย่างนี้ทําไมมันยังเกาะ อ, อยู่กับกายอยู่ก็มันยังหลงใจอยู่มันยังมีรู้กายตามความเป็นจริงหรือจิตก็มัก็คือว่าไหนว่าจิตจิตฉลาดใครว่าจิตฉลาดตอนสุดท้ายจิตก็ยังไม่ฉลาดครับ <c oughs> มันก็ยังหลงอยู่ใครว่าจิตฉลาด ก็คิดว่าผมคิดว่าจิตฉลาดคิดว่าแต่ตอนสุดท้ายเรายังว่าจิตยังไม่ฉลาดเราก็กโดนจีบหลอกทุวกวันนี้ก็คือหลงไปกับจิตหลงไปอาการกับอาการของจิตคือพาเราไปเราถ้าเราจับอยู่เรื่อยๆนะมันจะเกิดความรู้ทีตั้งมากมายให้เราได้รู้ร ไ, ดรได้เห็นได้เรียนรู้ได้ศึกษาจับไปเรื่อยๆอยากที่นี่คือฐานหากเรามีฐานในการรับทราบการเกิดขึ้นของความคิดและทราบที่อยู่ของจิตแล้วความคิดเกิดขุดเกิดขึ้นอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเสมอเสมอเสมอ ฝึกดูแล้วทำดูนะสมองนี่จะโล่งมากเลยโ ล, โล่งแบบ <c oughs> เหมือนกับหัวเราไม่มีอะไรอยื่อยู่ในหัวอาจารย์เรื่องมานะันปวดเกิดแล้วมันกระดับวดเกิดแล้วก็ดับนะครับ <c oughs> ถ้าจะไม่มีหัวถจะไม่มีหัวเดเแสดงว่ารับทราบได้เรื่องที่อาตารมาสอนไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้นะทำได้มีคนทำได้อ <c oughs> จริง นี่ยังไม่ได้นี่ติดอยู่กับนิสัยติดอยู่ที่สมองไป <c oughs> ได้ไหมนีได้ไหมยังไม่ได้เคยดีใจแล้วันอยู่ที่นี่เอ่อจับอาการดีใจนั้นไหมแล้วเราจำลักษณะของความดีใจที่มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ให้เข้าเจอนั่นคือฐานอยู่ที่นั่นฐานกิจอยู่ที่นั่นจำได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาจะดูความคิดให้ <c oughs> ให้จําความรู้สึกแห่งความดีใจที่อยู่ท่ามกลางอกนั้นไว้เป็ น, <c oughs> ปนใน ตัวจับอาการแห่งความคิดเพราะมันเป็นจิตมันเป็นตัวนา ม, มารมเราไม่สามารถที่จะเอาเป็นตัวเป็นตั ว, ตวมาไว้ให้ให้ได้เห็นแต่ให้เราได้ใช้อาการของความรู้สึกดีใจเพราะรู้สึกดีใจเป็นนา ม, มาทำใช่ไหมแล้วเชื่อมโยงกับจิตนะใช่ถ้าเรารู้จักขานของมันอยู่นี้แล้วก็เห็นความคิดผุดเกิดขึ้นที่นี่ ม, มันไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้ละ่ะตอนนี้รู้เข้าใจแนละ้ว ฝึกคำอย่างนี้อยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยสมองยจะได้เป็นผู้แบกรับไม่ได้มีเครียดสมองยจะไม่เครียดเลยนะจิตตัวเนี้ยจะรับทราบปัญหาทุกอย่างแล้วมันจะมีพร้อมกับความว่างกับเรื่องราวเรื่องราวที่ผ่านเข้ามากระทบกับความว่างที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่ถูกกระทบมันจะมี เราจะเห็นทั้งสองอย่างทั้งความบ้างทั้งเรื่องราวที่กระทบมันก็จะกําหนดรู้อะไรต่างๆได้ง่ายคือมันมันสามารถแบ่งเส้นออกไปสู่โลกิยะทําได้คือถ้าจะไปสร้างความเป็นอัริยะในตัวตัวตอของตัวเองนี่นะขีดออกไปอย่างนี้ถ้าจะเอาไปเส้นทางของโลกุตระทางงความรู้พจน์ก็ใช้ใช้ความสามารถของตัวเนี้ย พัฒนาไปมันจึงไปได้ไง่ายอาจารยช่วยอธิบายเรื่องจิตเห็นจิต้หรอเป็นยังไงครับเอเคยอธิบายนะนะเคยอธิบายนะมาอธิบายแล้วคนระับนจิต่อธิบายแล้วนะอ๋คนคนหนึ่งฟังคำอธิบายแล้วกับคนที่ยังไม่ฟังคำอธิบายนีย่เอาไงดี เริ่มมใหม่สักรอบ <c oughs> เริ่ ม, มใหม่สักรอบ <c oughs> หรืออาจจะฟังแต่ว่าไม่ชัดเจนหรือยังมีข้อสงสั ย, ยมีข้อสงสัยครับอื <c oughs> มันก็เลยมันต้องตั้งคําถามขึ้นมาก่อนว่าที่บอกว่าจิตเห็นจิตเนียเป็นมั้ยก็ต้องตั้งคําถามขึ้นมาว่าเอาจิตตัวไหนไปเห็นจิตแสดงว่าถ้ามีจิตเห็นจิตแสดงว่าจิตมีสองดวงเลยจิตที่ไปเห็น <c oughs> จิตที่ไปเห็นกับจิตที่ถูกเห็นแต่ว่าจิตต้องมีสองบางทีมันมีดวงเดียวแต่มันที้อาการไว้แล้วครับให้เราไปเห็นจิตเดิมจิตเลยไปเห็นจิตซ้อนจิตอาการมันจิตที่ต้องทําคําถามขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่ออตัดความสงสัยในปัญหาของจิตว่าจิตมีกี่ดวงเราอาจจะเคยเรียนรู้มาว่าจิตมีหลายดวงเพราะนั้นที่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าจิตเห็นจิตแสดงว่ามีจิต ดวงหนึ่งไปเห็นจิตอีกดวงหนึ่งครับแสดงว่าจิตมีอยู่สองนะก็ถ้าคิดว่าจิตซ้อนจิตก็ต้องเห็นว่ามีสองถ้าคิดว่าจิตมีดวงเดียวก็คือมัตะกีคืออาการจิตเก่าถ้าจิตมีดวงเดียวแล้วจิตจิตดวงที่มีดวงเดียวจะไปเห็นจิตดวงอื่นได้ยังไงแสดงว่ามันไม่มีครับจิตซ้อนจิตน่าจะไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วจิตซ้อนจิตมันไม่มีอยู่แล้วเพราะจิตมีดวงเดียวถามหน่อยว่า ตัวเราเนี่ยโยโมอมบอลเนี่ยมีกี่คนก็มีตัวเดียวตัวเดียว <c oughs> มีคนเดียวแล้วโยโมอมยอมบอสามารถมองย้อนกลับไปเห็นเรื่องราวของชีวิตของตัวเองได้ไหมที่ผ่านมาก็มองคือตัวนึกได้นึกได้ อ, อดีตที่คิดได้ก็ตัวนี้แหละเป็นผู้มองย้อนกลับไปก็คือเดียวเนี่ยครับฉะ น, นั้นคําว่าจิตเห็นจิตคือจิตปัจจุบันไปเห็นจิตที่ล่วงไปแล้วขนาดนั้นครับ จิตที่เป็นตัวปัจจุบันที่ผุดเกิดขึ้นมาใหม่แล้วไปเห็นจิตที่ดับไปในขณะนั้นนะ่ะเขาเาจิตเห็นจิตอ๋อเห็นอดีตนะจิตเห็นจิตจิตเพราะขณะที่เห็นนะนะั่อ่ะมันจะไม่ปรุงแต่งหรือสื่อต่อสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจของอวิชชาเพราะเห็นนะ่ะขณะที่เห็นนะ่ะมันจะรู้รู้การดับของจิตเมื่อรู้การดับของจิตแล้วปั๊บเนี่ยจิต ดวงใหม่นี้ก็จะเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคสมาธิฏิมรรคดูแลนะจิตไม่หลงจิตที่ประกอบไปด้วยสมาทิฏิมรรคพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะสืบต่อตัวเข้ามาแม้ตัวมันจะดับไปตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นไปรู้ด้วยอํานาจของสมาทิฏิมรรคก็จะทราบการเกิดการดับของจิตจิตแทนจิตจึงจะชื่อว่าเป็นมรรคเพราะไม่ปรุงแต่งด้วยอํานาจของอวิยชา แต่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของสัมาทิฏฐ <c oughs> ปรุงแต่งด้วยวิชาจึงเป็นมักอธิบายอย่างนี้เข้าใจไมนี่เข้าใจครับอย่าเอาสมองไปคิดนะ <c oughs> ห้ามคิดนะเนี่ <c oughs> เรื่องนี้ห้ามคิดแต่เป็นเรื่องต้องรู้รู้กับคิดพละอยางกันนะรู้อยู่ท่ามกลางกนี้วันนี้มาก็ได้ไ ด, ได้สิ่งแบบสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกอย่างคือ เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่รู้เ้าเขาปฏิบัติอย่างอย่างอะไรก็คือที่จริงก็คือเคยใช้มาแล้วอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์บอกว่าออต้องจิตเนะตัวเนี้ยออกจากอาะไรวัตถุเรามาเมื่อก่อนเราคิดว่าสมองอจริงๆมันก็ส่งมาจากจิตเรานแหละแต่เราไม่ทราบว่าเราเคยใช้มาตลอดครับเราลืมไงตกใจครั้งหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ไรู้กันไม่สังเกตที่จริงใช่ตลอดเลยทนะี่จริงมันอยู่ฐานมันอยู่ที่นี่ ทนทีี่มันคุณน้องบอกตกใจดีใจเราถึงจะรู้อาการที่จริงเราใช้ตรงนี้มาตลอดเราคิดว่าเราไปใช้สมองแล้วแล้วต้องเหตุฐานของกิตอย่างเงี้ยไปตลอดนะ <c oughs> ไปตลอดอ <c oughs> ย่ยาอ <c oughs> <ช>ย่าหลงอย่านี้วันนี้โอเคจะฐาใช้เป็นนิสัยเลยนอะาจารย์เว่ามาันต้องคือมาจากตรงนี้แหละ ไม่งั้นก็จะลืมฐานที่เกิดเข้ามาอนะวิตตักกัสันฐานฐ hmm. านของวิตตกเป็นพระสูตรเลยนะพระเจ้าตัดไว้เลยพระสูตรเลยแต่ว่าเนื้อความอาจจะไม่ใช่อย่างที่อาตมาพูดนี้นะ <c oughs> อาตมาพูดในทํานองที่เรียกว่าเอาสิ่งที่มันมั น, ม, นมันเกิดแล้วก็สิ่งที่มันเป็นมาอธิบายให้ฟังแต่ในพระสูตรไม่ได้อธิบายอย่างนี้ไม่รู้อธิบายยงไงดูต้องดูในในแบบ <c oughs> วิตตั ก, กสันฐานสูก เราต้องรู้นะว่ากำลังจิตจะละทิ้งใครกลื่อแล้วนะเราต้องไปดูอาการนเนี่ทีนี้จิตเห็นจิตสงสัยตรงไหนอีกตรงไหนยังไม่เคลียร์เคลียร์หมดแล้วจิตมีดวงเดียวนะแล้วดวงเดียวนั้นไม่ได้มีอยู่แบบตายตัวนะ ดวงนึงดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นแทนดวงเก่าดับไปดวงใหม่เกิดข mm. ึ้นมาแทนคำว่าดวงดวงดวงนั้นมันเป็นภาษาเรียกเฉยเรียกเรียกจิตแต่จ er ิตเป็นดวงหรือไม่เป็นดวงนั้นอ่ะมันมันต้องไปรู้เองเห็นเองนะดวงเราแค่พูดคำพูดคำว่าดวงปุ๊บเราจะมองออกเป็นเป็นดวงใช่ไหมเปิดแสงไฟไป ก็ไปตึกนึกจินตนาการเป็นวัตถุอีกหนึ่งก็จิตเป็นน้ำไม่ใช่วัตถุอสเรียงังไม่มีสเรียละเมื่อไม่มีสเรียละไอความเป็นดวงที่เข้าใจนั้นไม่มีหรอกมันเป็นอาการนเป็นอาการเป็นสิเออันที่เราเข้าใจว่าเป็นดวงแบบมันก็จะต้องไปเป็นวัตถุมันก็เป็นรูปอะไรกันจิตเป็นน้ำนี่เราเอาจินตนาการของเราไป จับอาการที่เป็นนามแล้วไปปรุงแต่งความเป็นดวงขึ้นเราก็เลยไปเห็นความเป็นดวงจากจินตนาการที่เราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นจิตตัวที่เป็นจิตแท้เราจินตนาการไปก่อนแล้วไงพอสมาธิไปเป็นไปเห็นปั๊บเห็นจิตเป็นดวงกล้าออกมาก็เลยเอาความที่ตัวเองจินตนาการไว้ทางด้านสมมุติว่าเป็นดวงไว้ไอจินตนาการเนี่ยไปสร้างนิมิตขึ้นในจิตให้ไปเห็นอย่างนั้น อาจารย์คมันเป็นน้ำเนี่ยมันมันมีความจ้าความไม่ไม่นามนี่ไม่มีไม่มีสรีระใช่ไหมคนะคนะจิตนี่อัศรีลังคําว่าไม่มีสรีระนี่ไม่ปรากฏออกมาเป็นแบบไหนเลยแล้วทำไมผู้เจ้าวัดป่าพัสระฐ ม, มีดังกิตตังเป็นที่แผ่สร้างของแห่งรัศมีก็ถ้ามีรัศมีก็แสดงว่ามีสรีระทีรัศมีก็คือรัศมี แต่ตัวจิตไม่ใช่รัศมีแต่รัศมีออกจากจิตเป็นอากาศนะครับเป็นอากาศเป็นความรู้สึกได้ไหมคเป็นความรู้สึกเดี๋ยวต้องเอาไปฉายวาโชว์อีกแล้วว่าอย่างงวันนั้นเห็นแล้วในไฟฉายเห็นแล้วเชียวไม่เข้าใจไหมนึกถึงไปฉายนะครับเออ เป็นนา ม, มแต่แต่รัศมีออกจากจิตแน่นอนจะต้องไม่ได้ดับก็ไม่เห็เแต่ไม่มีสตีละไม่มีไม่มีสภาพตัวจิตแท้แทนะ้น่ะไม่มีสภาพให่เห็นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แสงสีนั้นสีนี้ไม่มีแต่รัศมีนะ่ะคือว่าตัวประทักสอนเนะี่ยออกจากจิตเป็นที่ตั้งพราพว ก, พวกที่แผ่ออกมาจากจิตเนะนี่ยพวกเนี้ยเป็นเจตสิก ใช่ปรุงแต่งให้จิตดำรงอยู่อาจารย์ครับเจตสิกที่จะคู่กับอาการภรุงแต่งของจิตจ ต, ต้องคู่กับจิตตลอดขาดกันไม่ไากันไม่ได้เป็นทั้งอาวิชาและวิชาใช่ทั้งอวิชาและก็วิชาขาดกันไม่ได้เลพราะนั้นเราจะต้องเข้าไปทักหรือต้องไปรับรู้ว่า<ม>นี่คืออวิชาวิชาที่จิตมันมันภรมงแต่งตลอดเวลาต้องรู้สิถ้าไม่รู้ไม่ได้เพราะว่า รู้มักก็คือรู้ว่าขนาจิตนั้นเป็นวิชาหรือววิชา <S <S จิต เ, เห็นจิตเห็นจิตที่หลงไปกับอารมณ์กับจิตที่รู้อารมณ์จิตที่หลงไปกับอารมณ์แล้วเราไปเห็นจิตเป็นมกักแล้วการที่เรารู้ว่าจิตที่รู้อารมณ์เป็นมัจการรู้อย่างงั้นก็เป็นอริยมัจเป็นการเจริญมกัก พอเข้าใจไหมพราะมันต้องรู้ด้วยว่าจิตนั้นเป็นมัจคือรู้มัจ ก, กัะรู้มัคคจิตอะ่ะถ้าไม่รู้ว่าจิตที่รู้จิตที่หลงไปนั้นว่าเป็นมัคคจิตจิตที่เป็นมัคคจิตที่รู้อาการแห่งความหลงล่วงจิตนั้นอ่ะก็เป็นอวิชาาวชาครอบงำนีกอ่มันต้องรู้สิเพรา ะ, ะมันมีาการกําหนดไว้ชัดเจนายตัวว่ารู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกแล้วก็รู้มัจ ต้องรู้ได้ว่าขณะที่จิตเห็นจิตที่หลงไปเมื่อกีน้นี้ว่าเป็นมัคจิตต้องรู้ด้วยนี่คือมัคต้องเจริญขึ้นและปฏิบติปฏิบัติตอ่อมัคคือเจริญขึ้นคือต้องให้เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆซ้ำๆยำๆเรื่อยๆเป็นปริวัตเรเวียนรอบหมุนรอบเกิดแรงดึงดูดขึ้ น, น อ, อีกอีกอันหนึัง อยู่ที่ความเพียรนะอาจารย์อยู่ที่ความเพียรไม่ใช่นานๆครั้งทำได้เรืๆๆ่อยๆนะครับนางยังไม่มาฮะเอาเอามาจริงด้วยเหรอชัดเจนครับัจไม่ชัดเจนมันมีแสงหรื อ, อ ย, ยังยังไม่มีแสงมันมีแสงออกมาเลยใช่ไหมเนี่ยมีแสงคะมีแสงออกมาแล้ว แสงนี่เราสามารถรับทราบได้ว่ามันเป็นลําแสงเป็นแผ่ออกมาครับผมมันแผวมาจากหัวเทียนในหัวเทีย น, น, ยนถ้าจะสมมุติตัวหัวเทียนข้างในเนี่ยว่าเป็นจิตแสงคือสิ่งที่เกิดจากจิตไฟแสงไฟเกิดจากหัวเทียนตัวจิตจริงๆไม่ใช่แสงคเข้าใจไหม แสงมันเพียแค่รัศมีที่มันออกมาจากจิตแต่จิตจริงๆไม่ใช่แสงแต่เป็นที่แดนเขาเรียกว่าเป็นที่สร้างออกของรัศมีจิตนี่นะเป็นที่ตั้งให้รัศมีเกิดหากจะเปรียบว่าแสงนี้คือเจตสิกหัวเทียนคือจิตอย่างเงี้ยก็ได้การปรุงแต่งปรุงแต่งให้เกิด ในที่ี่ท่านอาจารย์จ ะ, ะพูดในเรื่องของว่าภาคกิตเนี่ยพัฒนาเป็ น, ป น, ปน้างด้านโลกก็อัจฉริยะด้านธรรมก็อัจฉริยะใช่ด้านธรรมก็เข้าถึงโลกุตตรศักริ์วัตกุจิตอย่างนี้ยคืออ ง, อ ง, อ ง, องค์กรในส่วนของภ่าศีเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่คือกิจเป็นคนควบคุมดูควบคุมให้ส่งกับเขานี่คือการทํางานต่างๆหนาโดยทั่ ว, วรับรู้กิจ าเข้จิตถ้าอาศัยกายใดอยู่ะจิตนั้นเราต้องเข้าใจนะมันยึดโยงกันหมดเลยตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเล็บเท้าเพราะอะไรเพราะจิตนั้นมันผูกท่ายาธาตุไฟของมารดาเขี่ยวเข้ากับท่าสี่จนเป็นกาละกาละกาละกาละคืออยากให้มันใสเขี่ยวธาตุไฟมารดาเขี่ยวอยู่เจ็ดปั น, เ, ปนเขี่ยวนี่คือเขี้ยวทั้งจิต ทั้งลูก้าสีดินน้ำไฟลมเข้าด้วยกันเหมือนกับเอาน้ำละลายใส่กับน้ำตาลเราจะแยกเม็ดน้ำตาลออกจากน้ำได้ไหมไม่ได้ยนะมันเป็นอเดียวกันไปแล้วจิตเป็นทุกส่วนของกายไป็นหมดแล้ ว, ว, วแต่คำว่าทุกส่วนนะั้นฐานของมันอยู่ที่อาไทวัตถุใช่ครับ ทันเข้ามนอีกนะก็เลยว่าตัวนี้แหละคือสำคัญที่สุดที่รุ้สึกว่าพอพอพอได้ได้รู้กยนแล้วเนี่ยตัวเองก็ือนว่าตัวมันต้องอ่ลข้างในภายในเนี่ยถ้าคนจับจับได้ก็จะเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้จะเป็นแบบนี้เลยเอายิงทิงนิดนี่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ทียวะมาพี่คุยกันที่เฉยเนะมันไดมันได้เลย แต่มันจะพัฒนาไปสายไหนสายโลกหรือสายธรรมจิตเนีงง่ยถ้าไปสายโลกโอ้โหสัจจันทร์เฉลี่ยได้แต่คนที่เรียนหนังสือเก่งก็เขาใช้ตัวเนี้ยมากกว่าที่สมองเขาบอกไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ต้องไปถามคนที่เรียนเก่งอะตามาเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งก็ <c oughs> แต่พอแตามามาค้นเจอตัวนี้แล้วปั๊กเนี่ยเวลาแตามาอ่านอะไรก็ตามแตามาจะเจาะประเด็นลงไปในเรื่องนั้น น, นัแล้วจะเข้าใจมันอย่างงแท้ <c oughs> จนอาตมาคิดอยากจะไปเรียนทางโลกให้ทุกทุกวิชาเลยนะมันมีความรู้สึกว่าไม่มีวิชาไหนที่เราเรียนไม่ ไ, มได้วิชาไหนก็ตามเราสามารถเรียนรู้ได้หมดแต่ปัญญาในทางธรรมมันก็แทรกขึ้นมาตัดกะระแสของความคิดที่ทางโลกอันนี้เป็นเพียงแค่โล ก, กิยะไม่ไม่พานพ้นทุกมันตัดกะระแสเลยที่นี่ในตัวปัญญาทางธรรมก็เลยโน้มไปในทางโลคุตรละอย่างเดียว ก็เลยไม่ได้เอาตัวน um ั well, Aye, stun, ้นมาใช้มันมีอิสระในการเรียนรู้มันมีอิสระทุกอย่างเวลาใครเข้าไปเจอตรงเนี้ยไปจับตรงเนี้ยได้อาการตรงเนี้ยไม่ยากทำได้ทุกคนแต่จะให้มาเปิดพอร์สสอนไม่สอนหรอกไม่สอนไม่เปิดก็เหมือนบางคนที่พูดได้หลายภาษาหรือพูดได้คืออ่า จำได้มากหรือว่าคิดได้หลายหลกักมันมีทั้งพลังมันมีทั้งความแยบายมีทั้งความเฉียบแหลม ม, ม, ม, ม, มีมีทุกอย่างที่ที่เป็นเป็นความความฉลาดอยู่ภายมาจากจิตตนเนี่ยถ้าสามารถจับฐานมาได้คือต้องผมมันเหมือนกับว่าเราจะพูดอะไรก่อนเนี่ยเสียงมันจะได้ขึ้นมาก่อนดังใช่มันจะรับรู้ที่นี่ก่อนนะแล้วก็ค่อยศึกษาที่นี้คือจะรู้ได้แน่ๆว่ามึงที่จะพูดอะไรเนี่ยเสียงมันจะพูดออกมาก่อนถูก ก็ฝ่อไปมันเหมือนกับมีใครมันชอบเขาบอกขวัญอะประมาณนั้นใช่คือไม่คือตอนแรกที่ผมจับไปคือเรื่องผมปีติก่อนหน่อยพรปีติพวกเนี้ยมันรู้สึกว่าเอ้ยหนุ่มๆนะแล้วก็ค่อยจับไปเรื่อยๆาจมันก็พองยุบพองยุคอืร็จแล้วมันก็รูสึกว่าเฮ้ยมันเฮ้มันเป็นยี่หรออะไรเงี้ยเสร็จแล้ว มันจะลืมเรื่องสมองไปเลยใ่มเนี่ใช่ใช่มันมันไม่ได้ใช้สมองแบบเดิมเลยเห่นไหมเราไม่ได้ใช้สมองแต่เราสามารถคิดทําและทําอะไรได้ปกติแต่ดีแล้วก็ดีกว่าปกติอีกมันเหมือนมีผู้ช่วยด้วยใช่ผู้ช่วยว่าอีกแบบ น, นี้คือทำมันผิดแบบนี้คือทํำมันถูกมันจะฟ้องตัวเองก่อนก่อนจะพูดออกมาฉลามันคิดก่อนทํา อันคิดก่อนทำนะคิดด้วยสมองมันยังไม่ถูกอีกมันไม่ใช่คิดก่อนทํานี่ยมันรับทราบความคิดที่ผุดเกิดที่นี่ก่อนที่จะถูกรับทราบไปสมองข้ามขัญไปเลยมันไม่ใช่ข้ามขั้นมันเป็นปกติแต่ปกติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้กันฐานของมันอยู่ตรงนี้ไม่รู้จากฐานของกิตนี่มันก็ฟุ้งไงทุกที่มันมีแหล่งเกิดของมัน ก่อนที่จะมีทะเลน้ํามันต้องน้ําต้องไหลลงไปหามันก่อนใช่ไหมไหลจากที่สูงลงไปสู่ี่รุ่มที่รุ่งเลยกลายเป็นทะเลแต่ว่าจุดต้นตอของน้ําอยู่ที่ไหนที่สูงที่เขาภูเขาใช่ไหมน้ํามาจากภูเขาแล้วต้งดินแล้วก็มาจากที่สูงก่อนเลงไปใต้ดินแม่ที่ลาล้วก็ลงใต้ดินยิ่งลึกไปก็ยิ่งลงจากข้างบนลงไปข้างล่างถ้าน้ําไม่ไหลมาจากภูเขาลงไปสู่แม่น้ําน้อยแม่น้ํา ใหญ่และไหลไปสู่ทะเลทะเลจะมีไหมก่อนที่มันจะมาเป็นความคิดเนี่ยมันผลิตออกมาอย่างตัวเนี้ยเราสามารถรับทราบมนได้ไหมขณะที่มันผลิตออกมาคืนแรงกําเนิดของมันที่เกิดเพราะมันแรงกําเนิดของธรรมก็มาจากการเห็นการเกิดการดับที่อยู่ของสัจจคืก็อยู่ที่เห็นการเกิดขึ้นในจิตเห็นดับลงไปในจิตที่อยู่ของสัจธรรมมันอยู่ที่นั่นถ้าเราเห็นการเกิดการดับบ่อยๆก็เท่ากับว่าเข้าไปเห็นสัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิต พรจิตเป็นผู้เห็นนะถ้ายังจิตอยู่ที่สมองไม่มีทางเห็นมันก็แค่คิดไปเห็นได้แต่ว่าอันจิตที่ไปทราบประจักษ์ภายในเนี่ยมันมันเป็นการรู้แบบชัดเจนกว่าปัจจักษ์ตังประจักษ์กชัดจอเพราะนั้นเป็นการรับรู้โดยธรรมชาติโดยปกติของจิตมาแต่ในแต่ละอยแต่เราไม่ได้เข้าใจเราไม่สนใจ เ ร, เราเข้าใจคิดว่ากายเราเป็นตัวทําเราไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราจิตเป็นตัวทาใช่ที่จริงมันมาจากจิตของเราเนี่ยเป็นตัวคนก็เลยไม่มองเห็นโทษของ ม, ม, ม, ม, มนุกรรมว่ามนุกรรมเป็นย<โ>ังไงขณะที่คิดไม่ดีจิตก็ได้รับโทษนะเพราะอับภายในนะขณะที่คิดดีจิตก็เบิกบานไายในนะครับก็บางนบคนเห็ว่าตายตกนรกก็เรียกว่าตัวตัวที่เราตายนะกายเร้เป็นตกนรกที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใช่ เราเข้าใจแต่นรกก็ยังไกลตัว <ละ S 1> มันยังเป็น <ละ S 1> เรื่องไกลตัวอยู่เอาลึกใกล้ๆ น, น, <ใ> น, น, นี่แหละขณะนี้แหละขณะที่เป็นอยู่ขณะที่เกิดรู้เข้าใจขณะที่ตัวเองเป็นอยู่นนั่งอยู่ขณะนี้ไหม <S <S มีเกิดปัสติเกิดปัญญาลับรู้รับสร้างหรือปั่บตอนหรือจิตกําลังโหลบไปในความคิดชนิดไหนจิตถูกปรุงแต่งหรือจิตปรุงแต่งจิตหรือจิตเห็นจิตหรืออะไรเป็นอะไร ไม่สงสัยเลยยังจิตเห็นจิตครับฮะไม่สงสัยยังถาเลยครับคุณตุลอกว่าแกยังงงอยู่มันเดินมันแหลยพระอาจารย์ว่างงผมรู้จะว่าอย่างไงแล้วก็ต้องไปฝึกอาจารย์มันก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ประมาณนี้ต้องไปฝึกดูว่าเออคือเราอาจจะเคยหรือว่าสัมผัสแต่เราไม่รู้จักวิธีหรือว่าการสังเกตครับมีการถามมาไมในนี้ยังไม่มีครับ อ๋อตะกี้มีคนตอบค่ะที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องจิตเห็นจิตนะคะบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นใหม่ดูจิตดวงเก่าที่ดับลงไปค่ะอันนั้นคื อ, อเรียนเรียนมาด้วยกันอันนั้นน่าจะตอบไดต้ต้องแอน คนที่ตั้งใจตามติดตามดูฟังการอธิบายธรรมะของตถามาจะเข้าใจเรื่องของจินผมว่าผมจะถามว่าโลกมันก็มีหลายชั้นนะผมว่าน้ำน้ามันก็ต้องจากที่ล่างไปที่สูงนะ ถ้าไม่มีที่ล่างมันก็ขึ้นไปที่สูงไม่ได้ทำไมมีที่ล่างมันขึ้นไปที่สูงไม่ได้เพราะว่ายางรังคารก็ยังเห็นมตู้ตู้ตู้ออกมาก็โลกโลกแบนหรือโรคกลมมันก็กลมอยู่นะกลมตรงไหนสูงตรงไหนล่างอือก็แล้วแต่ว่าเราจะเที่ยวตรงไหนไหนถ้าโรกมันกลมแล้วไม่มีอะไรลาบไม่มีอะไรสูง ไอ้ที่เราเห็นสูงๆลาบๆเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งลักษณะของภูมิศาสตร์แต่ถ้าโลกกลมแล้วไม่มีอะไรลาบไม่มีอะไรสูงทันกลมความกลมของโลกทุกส่วนเสมอกันหมดแต่ถ้าจะขึ้นไปที่สูงก็ต้องเดียบปันได้ผมก็ไม่เข้าใจเนี่ย มันอันนี้อันนี้ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจคําว่าคําว่าโลกกลมนะมันก็กลมนะแต่ว่าไม่ใช่ใชโลกกลมแต่ว่ า, วาไม่เข้าใจใความเป็นของโลกที่บันกลมลักษณะภูมิศาสตร์นะพื้นที่ภาคภูมิเนี่ยภูมิภาคเนี่ยมันก็ต้องมีสูงมีต่ำแต่ความกลมของมันเนี่ยเวลามันล อ, อยอยู่กลางท้อ ง, งอว ก, กาศเนี่ยความกลมของมัน มันไม่ได้ให้อันไหนสูงอันไหนต่ำประมาณเลยมันเท่ากันหมดเลยเพราะความกลมเขาใหญ่ยังครับแล้วถามว่าทิศทางของน้าทําไมถ้าบอกว่ามันเท่ากันหมดทําไมมันไหลลงเมนนี้ที่ต่ํามันมีที่สูงอันนั้นตามหลักภูมิศาสต์เป็นอย่างนั้นมันเขาเรียกมันไหลไปตามภูมิศาสตร์แล้วก็การหมุนของโลกการเอียงของโลกมันเอียงไปยังไงก็ต้องไหลไปอย่างนั้นครับได้เลยน่เราได้ ก็เลยขยายเรื่องของติดตามภาพใหม่นี่ครับก็เลยสงสัยสงสัยอะไรนะว่าติดตามภาพติดตามภาพ ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความบุพภภาคนิมิตก่อนมักคจิตเกิดเป็นคำถามที่ใหม่มากสำหรับคำที่เคยอธิบายมาบุพภภาคของจิตก่อนที่มักคจิตเกิดมักคจิตก็คือจิตอันนี้อันนี้จะพูดในแง่ของจิตที่จะประหารนะ กิจจปัหารหรือว่าทำลายอาสวะอันนี้ไม่พูดถึงมรรคกิจตอนที่กำลังดำเนินมรรคอยู่จากว่าเป็นมัคกายานไป้วมรรคกิจในประเภทนี้แต่ จ, จะมีบุพภาภาคเรว่านิมิตของการกิจที่จะเข้าไปทำลายอาสวะหรือว่าปัญหากิเลสบุพภาภานั้น มันจะมีบุพภากในชั้นของการสร้างนิมิต <Okay. S 1> นิมิตมีถี่ประการหนึ่งสุบินนิมิตสองสมาธินิมิตนิมิต น, นอกเหนือนจากนี้จะไม่มี oh. ก็อาจจะมีได้แบบนิมิตแบบไม่ไม่อยู่ในทั้งสมาธิและไม่อยู่ในทั้งในความฝันนะก็ใคราว่า เป็นร่างสังหรณ์ขุดขึ้นเป็นภาพนิมิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็เกิดจากเทพดนใจก็มีเทวดาดนใจให้เกิดนิมิตอย่างงั้นเห็นภาพแบบนั้นแบบนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ ก, ก็จัดไว้เป็นสารแต่ว่าสุบินนิมิตกับสมาธินิมิตเป็นนิมิตที่แสดงถึงเขาเรียกว่าบุพนิมิตได้ได้ดีกว่า ไง่ายกว่าแล้วก็มีนิมิตหลังจากมันจะมีก่อนและหลังด้วยก่อนเกิดมรรคจิตทำลายประหานกิเลสกับหลังมรรคจิตหรือขนาดเดียวกันตามมาใช้คำว่ า, าดับดีกทีนี้บุพพาคณิมิตบุพภะแปลว่าก่อนภะคือคือส่วนนิมิตคือเครื่องหมายเครื่องหมายที่ จ ะ, จะบอกก่อนที่จะบอกก่อนที่จิตจะไปทําลายอาสาะจะเกิดความรู้หมายถึงว่าจิตดวงนั้นจะรู้ว่าจิตตัวเองกําลังจะทําลายอาสาะกิเลศหรือว่าแน่นอนว่าจะต้องประหารกิเลสได้ดูพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัสรู้พระองค์เกิดสุบินิมิตก่อนใช่ไหมสุบินิมิตของพระองค์หประการสุบินิมิตธรมประการนั้นทําให้พระองค์มั่นใจและแน่ใจว่า เจ้าจะทำลายอาสากิกดีได้หรืออยากตัสรุปเป็นสมาสัมภูอันเองพวงพยากรเองรู้เองชัดเจนภายในจิตจิตมันจะเกิดอะไรสักอย่างอย่างที่มันต้องเดินหน้าไปสู่การตัสรุปไม่ถอยหลังแน่นอนมันจะมีความมั่นใจมันจะมีความแน่นอนใจอยู่ภายในนิมิตก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตปุ่งดิ่งไปในเป้าหมายที่มันจะทาลายอาสาภนั่นหมายถึงว่า สิ่งที่จิตกําลังเป็นอยู่และทําอยู่นั้นถูกต้องที่สุดนะใช่แล้วบุพพาคานิมิตมันจะเกิดก่อนส่วนมันจะเกิดออกมาเป็นแบบไหนนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยของแต่ละคนที่จะแสดงออกมาให้ทราบพุทธเจ้าเราก็ห้าประการเป็นบุพผถือว่าเป็นบุพพาานิมิต น, นั่นแหละบุพพาพาคนิมิตแต่อันนั้นเป็นเป็นบุพพาานิมิตก่อนที่จะเป็นสุบินิมิตส่วนจิต ที่จะเข้าไปทำลายอาสวะตัวที่จะทำลายสัญญอ์ตัวเนี้ยมันจะเป็นนิมิต ท, ที่ไม่ใช่นิมิตเป็นภาพนิมิดหรือเกิดจากการดนบันดาลหรือแม้แต่เป็นอะไรอ ในความหมายของพวกเราที่เราเข้าใจกันเป็นเป็นภาพเป็นฉากเป็นเครื่องบ่งบอกอะไรสักอย่างนั้นจะไม่ใช่คาวนินิทิั่นหมายถึงว่าจิตที่เห็นสิ่งที่เกิดและดับนั่นแหละเป็นนิมิตเป็นนิมิตของการที่จะทำลายโดยรับทราบถึงความว่างการเกิดขึ้นของจิตพร้อมกับอารมณ์ การตั้งอยู่ของจิตพร้อมอารมณ์แล้วก็การดับไปของจิตพร้อมกับอารมณ์แต่เป็นการเกิดขึ้นแบบรวดเร็วและก็ดับลงไปแบบรวดเร็วโดยที่เห็นความว่างสิ่งเ่าเนี้ยถือว่าเป็นนิมิตคือมันจะเป็นถ้าเราจะเห็นจิตกับอารมณ์เราจะไม่ค่อยเห็นตัวจิตสักเท่าไหร่เราจะเห็นอารมณ์แล้วก็จะไม่เห็นความว่างจะเห็นแต่อารมณ์มันเกิดมันตั้งอยู่แล้วก็มันแปปวนไป แต่อันนั้นมันจะแยกออกเห็นชัดเลยความว่างจิตอารมณ์และเมื่อกระทบกันก่อเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจะเกิดเหมือนกับเป็น slow m o t ั o แต่จริงๆเกิดขึ้นขนาดจิตเดียวรวดเร็วว่าแต่มันเห็นเป็นแบบยังไงค่อยๆเกิดค่อยๆก่อตัวกันมาจิตค่อยๆเกิดมารับรู้และกระทบกันปับ๊บดับเพิบ ตัวที่กระทบแล้วเกิดก็ดับไปเหมือนกับของสองสิ่งนะก็ทบกันเนี่ยมันเกิดเสียงขึ้นแต่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยรับทราบเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนนั้นมันจะเห็นแบบช้านะมันจะค่อยเห็นการเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วกระทบกันแล้วก่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับความว่าง อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายที่จะรู้ชัดแน่ชัดได้ว่าเพราะการที่เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและดับลงไปในความว่างนั้นอะ่ะจะเอาอะไรเป็นดิมิตจะเอาควาว่าเป็นดิมิตก็ได้หรือจะเอาอะไรคําว่าดีมิตน่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตมันรับทราบอะไรอยู่เป็นเครื่องหมาย มายว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่อยู่ในจิตในเวลานี้อารมณ์นั้นถือว่าเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้ทราบความดีใจเป็นเครื่องหมายให้ทราบจิตเรากําลังดีใจความเสียใจเป็นเครื่องหมายให้ทราบจิตเรากําลังเสียใจนะเป็นคําว่านิมิตคือบ่งบอกหรือเครื่องหมายให้ทราบสภาพของจิตหรือสถานะของจิตหรือสิ่งที่จิตมันกำลังเป็นแต่คําว่าบุพภาค่นิมิตเนี่ยนิมิตที่บ่งบอกในมรรคจิตก่อนที่จะทำลายมันจะเห็นแต่ ความว่างสิ่งที่มาแต่มันเกิดแบบรวดเร็วเหมือนกับไม่มีอาการให้เห็นแต่มันมีเราจะสามารถจับได้ทีนี้เมื่อเห็นตรงจังหวะนั้นแล้วชัดเจนคือเห็นความว่างอย่างชัดเจนปับ๊บพร้อมกับไอตัวอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตมันจะเห็นแค่กระเพื่อมนิดนึงแล้วก็หายไปกระเพื่อมนิดนึงแล้วก็หายไปกระเพื่อมนิดนึงแล้วก็หายไป มันจะไปตัดขาดแบบรวดเร็วแลนะ้วเหมือนเคยเห็นฟ้าแลบนะเหมือนอย่างนั้นเลยปั๊บขึ้นในจิตแบบฟ้าแลบเลยนะ ป, ปั๊บปุ๊บแบบพังทลายขาดรู้สึกอะไรขาดจากจิตในเวลานั้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาอันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกยังไม่เหมือนกับอันนี้มันจะไม่เหมือนเลย มันจะเกิดเหมือ น, นกับเหมือนกับฟ้าแลบเลยนะทับพไปอะอยู่ข้างในนะยังไงมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> พราะคาดก็เหมือนกับฟ้าดินสถานสะเทือนอันนี้เป็นนิมิต ท, ที่เกิดหลังจากละได้แล้วนะเป็นนิมิตจากนั้นก็เกิดนิมิตต่างๆนานามากมายขึ้นอันนั้นแล้วแต่ว่ามันจะส่งผลไปให้เป็นนิมิตอะไรแต่ช่วงจังหวะที่จิตมันกําลังจะทําำลายเนี่ยนิมิตในเวลานั้นก็มันก็มีแค่ เนี่ยหละความว่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยนะจิตอารมณ์ก็ะทบกันเกิดปุ๊บปุ๊บดับปุบปดับยังไม่ป่อตัวเป็นเรื่องเป็นเรายังไม่ปรุงแต่งเป็นอะไรเลยยิบดับยิบดับอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะยังไม่เป็นเป็นเราอะไรมันก็ดับเราดับต้อเห็นดับมากเข้อมากข้องปั๊บหมด ชอบก็มทันทีเลยความว่าสักายติทีวิชิกิชฌาศิลพะตตาปรามาหายไปอันนี้พูดในชั้นของการปฏิบัติชั้นของมรรคจิตที่มันกําลังเดิมเนินไปส่วนนิมิตที่เกิดก่อนที่จะไปรู้ตรงนั้นของอาตมาจะเกิดก่อนเกิดวันเป็นสุบินนิมิตความฝันมันแม่นนะครับอาจารย์มื่ีเราคิดว่าความฝันก็คือความฝันก็อาตมาตอนนั้นก็คิดว่าความฝันอาตมาไม่ได้คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่จะบ่มบอกให้ทราบว่า เราจะไปรู้ธรรมะอะไรบางอย่างก็แค่เข้าใจว่าเป็นความฝันก็บางคนบอกกินมากทานมากก็นอนใช่ความฝันก็มันคือเกิดหนึ่งทาดกบเริบกินมากนอนมากเจ็บป่วยก็เกิดเป็นความฝันได้สองเทวดาโดนใจใช่สามบุพนิมิตคือเกิดจากบุญเก่าหรือว่าสิ่งที่กำลังการทำอยู่เครื่องบุบอกในิมิตสี่ เรืมอาซสีเรื่องเดือยจอมง่าแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงกับคำว่าลิมิตของเราที่เกิดขึ้นมันจะไม่ไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ไม่ได้เชื่อเพราะว่าขณะที่มันเกิดสุบินิมิตขึ้นเจ็ดวันเกิดขึ้นก่อนก่อนเจ็ดวันที่จะไปรู้น่ะมันบอกก่อนอะไรนั่นแต่อาตมาไม่รู้ว่ามันบอก มันนึกทีหลังนีงถึงจะรู้อ๋อมันมันระบอกว่าเราก่อนแล้วนี่หว่าก็เหมือนคนที่ว่าเขาฝันว่าจะซื้อเลขซื้อหวยอะไรนะเขามาตียังทีหลังอันนั้นไปตีความเอาก็ตีความก็มันไม่กตีหลังบางบางทีมันตีถูกตีถูกก็ถูกตีผิดก็ผิดไอไอควาฝันไม่ได้บอกแต่คนไปตีมันถูกก็คือถูกอยู่ที่การตีไม่ใช่ใช่ถ้าบอกว่าฝันเราบอกหวยได้ตลอดก็ไม่เห็นมันถูกตลอดทุกงวดนะก็ตีไม่ถูกก็ตีไม่ถูกไง ความฝันมนเดิมาฝันก็เหมือนเดิมพระอาจารย์ค่ะแล้วของพระอาจารย์นี่ฝั น, นว่ายังไงว่าเจ็ดอกไปยืนอยู่บนก้อนหินบนหน้าหาก้อนหินข้างนี้แบบขวานขวานบักใหญ่เลยนะเข้าใจไหมขวานใหญ่แบบคมกิบครับข้างนี้ถือดาบยาวเฟ้ยเลยเป็นนักลบ อ, อะไรผนะ่านมาตรงหน้าเหมือนกับอยากจะฟันมันให้มันขาดกระจุยกระจายไปเลยนะกิเลส นะขานาดอวิชาอขวานนี่ฟันออกไปทีหนึงนี่ต้นไม้นี่ลาบเปียบไปเรียกว่าเอาเราก็ฟันไปอย่างนี้ธรรมาดาแต่ฟันออกไปด้วยความแรงนะแล้วขวานก็หนักดาบนั้นก็หนักแล้วก็ฟันออกไปด้วยความเหมือนกับใช้กําลังธรรมาดาแต่ทําไมามันแรงถึงขนาดว่าต้นไม้นี่ล่าเป็นหน้าป้องหมดเลย อ, อย่างเงี้ยนมะัฟันขวานกับ <laughs> ม <laughs> ีด <rab i> เอากับดาบ ยาวเฟื่อยเลยดำมันก็หนักมากความรู้สึกว่าหนักแต่ทำไมเราสามารถจับได้ยกได้ยกได้แล้วก็ใช้มันแบบเหมือนกับของเบาแต่ว่ามันหนักมากเลยน ะ, นะขาดพัวไปหมดเลยมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องบอกว่ า, าจิตกับปัญญามันมันจะฟันทำลายอาสวะกิเลสแต่ตอนนั้นเราตีความหมายไม่ออก ตีความหมายไม่ออกแล้วก็เข้าใจว่าแค่ความฝันเพราะเราไม่ได้ยึดถือนิมิตใดๆอยู่แล้วคุณป้ามีอยากทราบวิธีดับทุกข์ข่าวพระอาจารย์ <c oughs> วิธีดับทุกข์ก็คืออย่าไปดับทุกข์งงไหมดับรู้ทุกข์อะให้เรียนรู้กับทุกข์วิธีดับทุกข์ก็คืออย่าไปดับทุกข์ถ้าเราไม่ดับทุกข์เราก็จะมีทุกข์ เอา้าถ้ามันไม่ดับถ้าเราไม่ดับทุกข์แล้วมันแล้วมันจะหมดทุกข์ได้ยังไงแล้วทุกข์มันจะดับได้ยังไงเราสังเกตชีวิตของเราดีๆสิความทุกข์ตอนเป็นเด็กเราดับมันหรือมันดับไปเองความทุกข์ที่ตอนโตขึ้นมาแล้วมันดับไปเองหรือเราเข้าไปดับมันมันดับไปเองความทุกข์ของปีที่แล้วเราไปดับมันหรือมันดับเอง ก็เมื่อมันก็เมื่อมันดับเองเราจะเข้าไปดับมันทําไมมันเกิดเองดับเองแต่เราไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเราเราเลิกก็เลยอยากไปกำจัดความทุกข์ของเมื่อวานนี้มันดับเองหรือเราเข้าไปดับมันมันดับของมันเองหมดแล้วแต่ในขณะที่เรากําลังเป็นทุกข์อยู่เราไม่อยากให้มีทุกข์นี้อยู่กับเราใช่ไหมไอ้พรที่ไม่อยากให้ทุกข์อยู่กับเราอันเนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องละเพราะชีวิตของเรามันเดินไปข้างหน้าอยู่แล้ว ไอความทุกข oh. <laughs> <laughs> ์ที่มันอยู <ally>. mm ่ก hmm. ับเราในเวลานี <cat> ้เราไม่อยากให้มันอยู่หากมันมีเหตุที่มันจะอยู่มันก็ต้องอยู่หากมันมีเหตุที่จะหมดมันก็ดับไม่ต้องใช้ความยากเขาบอกพระอาจารย์ทำไมสอนง่ายจังแต่วิธีทํามันไม่ง่ายเลยทุกอย่างมันมีเวลาของมันความทุกข์มีเวลาของมันมันไม่ใช่จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดเวลาดับมันก็ดับเวลามีมันต้องมีเวลามันมีแล้วเราไม่อยากให้มันมีตัวเนี้คือสิ่งเราต้องแก้ วิธีแก้คือหนึ่งผู้เจ้าจึงบอกว่ารู้ทุกไม่ต้องไปดับทุกสองละเหตุให้เกิดทุกคืออย่าใช้ความอยากเมื่อความทุกเกิดขึ้นก็เป็นการละเหตุแห่งความทุกสามเห็นความดับไปของทุกว่าทุกเมื่อตอนเป็นเด็กก็ดับไปแล้วทุกเมื่อตอนที่โตเป็นเป็นหนุ่มเปสาวก็ดับไปแล้วทุกเมื่อตอน่วานคนอายุกลางคนก็ดับไปแล้วทุกเมื่อตอนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ดับไปแล้ว ทุกของเมื่อปีที่แล้วก็ดับไปแล้วทุกของเมื่อวานนี้ก็ดับไปแล้วทุกของเมื่อเช้านี้ก็ดับไปแล้ว <c oughs> ทุกของเมื่อตอนกางวันวนี้ก็ดับไปแล้วอันนี้ยังไม่ต้องวันเนี <c oughs> <N ee> ่ยแ ห, ห้ให้ให้เห็นความดับของทุกอย่างเนี้ยทาให้ปจักแก้งอยู่บ่อยๆมาร์กก็คือรู้ทุกไว้อย่างนั้นแหละอ๋อทุกมันกําลังมีอยู่เพราะเหตุมันยังมีอยู่รู้เหตุคือเราอยาสร้างความอยากเพิ่มว่าเหตุเป็นของเกิดละอย่าทําเพิ่มรู้ความดับคือเห็นมันดับไปแต่ละขณะขณะขณะขณะอย่างนี้รู้อย่างเงี้ยมันจะมีปัญญาอยู่เหนือความทุก ปัญญาจะยกจิตของเราออกจากตัวทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีความทุกข์และไม่ได้สอนให้เราเข้าไปดับที่ตัวทุกข์แต่พระเจ้าบอกว่าทุกข์มีอยู่ยังไงให้มีอยู่อย่างนั้นแต่อย่าส ร, สร้างเหตุเพิ่มจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นพอเข้าใจไหมอย่างยอมรับมันยอมรับเอางี้า่าเป็นบัตรอยากให้มันหายเพราะมันเป็นบัตรมันจะหายได้ยังไง แต่ตอนมันหายเราต้องอยากให้มันหายไหมก็ไม่ก็ไม่ได้อยากหายมันก็หายเพรามันเองแต่ตอนที่อยากให้มันหายเนี่ยเมื่อมันเป็นอยู่เนี่ยอยากให้หายยังไงมันก็ไม่หายอาจารย์ก็มันบางคนก็อายาไปกําจัดไม่ใช่ปล่อยให้หายถามว่ากินยาไปปุ๊บมันหายตอนนั้นไหมหล่ะก็ก็ต้องรอยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่หายใช่ไหมับผไม่ใช่กินยาลงไปปั๊บอาการไข้อาการแบบหายพึบทันทีในเวลานั้นเลยครับยังไม่ใช่อีกรอเวลาให้เวลามันบ้านสิ เนาะเข้าใจไหมแต่ทีนี้เราเปนคนรอเวลาไม่ได้การรอเวลาไม่ได้แล้วทําไมอยู่ในโลกนี้มาได้ตั้งหลายปี <c oughs> อยู่ตั้งหลายปีแล้วนะบอกรอเวลาไม่ได้อยากให้ทุกคนหดไปเร็วๆในตอนนี้เพราะความอยากอันนี้นี่เองอะที่บีบใจให้เราได้คุกกับความทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่ในเวลานั้นไ อ, อ้ตรงนี้นที่ต้องแก่ก็ให้เวลาแบบทุกแล้วถ้าหากเราเรียนรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าชีวิตของเราต้องมีความทุกข์อย่างนี้ไปตลอดเวลาเผชิญกับความทุกข์ใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เราจะไม่วิตกกังวลเลยเพราะมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเชิญทุกนั้นโดยที่ไม่สะโตกสถานด้วยสติและปัญญาที่เราเรียนรู้ความจริงอย่างชัดเจนว่ามันต้องเจอทุกแน่ชีวิตแห่งการเกิดหาไม่อยากเจอทุกก็ไม่ต้องมาเกิดเพราะฉะนั้นวิธีดับทุกที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันใช่อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันให้ต้องกลับมาเกิดอีกเราไม่กลับมาเกิดมันอีกแล้วพอเอาทุกเป็นเครื่องเรียนรู้กรูฟองกับมึงแรกมันไม่เกิดกับมึงอแล้ว เาเเาารน่าจะเข้าใจนะโยมคุณป้ามิขอจเจริญพรคือถามมาอย่างนี้ก็อตอบไปอย่างนี้ถ้าจะเอามาศึกษาและเรียนวิธีการกันจริงๆก็มีมีเยอะรายละเอียดแต่ตอบไปคร่าวๆอย่างนี้นะหากอยากจะเข้าใจและมีปัญญามากกว่า น, นี้ติดตามย้อนกลับไปฟังเรื่องแต่และเรื่องที่เคยไลฟ์ไว้อที่ผ่านมาว่า อธิบายเรื่องการดับทุกข์ไว้ตั้งมากมายแต่ที่สำคัญก็คือให้เราได้เข้าใจได้เข้าใจว่าความทุกข์เป็นสัจธรรมพุทเจ้าจึงใช้คำว่าอริยสัจจ์ลุกขะอริยสัจจ์ลุกข้างอริยสัจจ์ความความทุกข์เป็นสัจจ์ความจริงเมื่อยอมรับความจริงได้จิตก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่มันบีบขั้นอยู่ยอมรับความจริงให้ได้เท่านั้นเอง คุณป้าตาขอบอกคุณมาค่ะเอาละกว่าจะเินพรากช่อบมาก่อนเรไม่เข้าใจที่เรื่องเรื่องมัคคจิตนี้เคยาหรืยอยังไม่ไหอะไร่ะบุพภาคพพาคณิมิตเจริญพรยงเพ็ญพันโยงจิตติดตามกันมาตลอดส่วนบุพภาคตาคณิวิตนีบ่บางทีมันแต่ละคนเกิดมา แต่ละคนไม่เหมือนกันใครจะเกิดแบบไหนมามนันเป็นเรื่องเฉพาะมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้บางคนก็เหมือนกับว่าตบอยู่ในน้ำอยู่พากคนมีเรือมารับขึ้นไปฟัง น, นี้ก็เป็นนิมิตไม่ทาอันนี้เรื่องเกิดจากสุบินิมิตนะสุบินิมิตแต่ถ้าเป็นสมาธินิมิตก็คือขณะที่ทำจิตภาวนาไปสมาธินิมิตที่จะเห็นในเวลานั้นคือ มันจะเห็นอาการของจิตและก็อารมณ์ที่มาเข้ามาในจิตเราจะเห็นความว่างเห็นทั้งทั้งแต่ละอันเนี่ยเป็นส่วนของมันอย่างชัดเจนไม่ไม่มีการเหมารวมหรือปนกันระหว่างความรู้สึกอารมณ์ความคิดทุกอย่างในขณะนั้นมันถูกพิจารณาแยกอย่างชัดเจนว่ารูกคือลูกเบชนาคือเบชนะสัญญาคือสัญญาสังขารคือสังขารวิญ ญ, ญาณคือวิญ ญ, ญาณ พี่นาแยกไปแล้วเมื่อพี่นาแยกอย่างนั้นแล้วมันจึงเหลือเพียงแค่ความว่างจิตอารมณ์จิตก็อย่างที่ว่านเนี่ยสิ่งที่ที่อยู่ทา่ากลางอกก็จะเห็นมันปรากฏเป็นความรู้รับทราบรับรู้รับทราบอยู่แม้เราจะพี่นาแยกกายเป็นธาตุสีดินนับไปลมแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขงารแยกปัญญาอยู่แล้วแต่อาการรับรู้ที่อยู่ภายในความคิดต่างๆสิ่งที่ปรากฏผ่านเข้ามาพบ ก, กระทบดูกาเกิดดูดับดูเกิดดูดับ มันเห็นอย่างกันแยกกันอย่างชัดเจนไม่ปนกันไม่เมารวมกันด้วจิตอย่างนี้านอาจารย์ครับโสดาสจาคาอนาคา์เนี่ยฐานจิตลักษณะแบบนี้ใช่นิมิตก่อนที่จะตัดสรุนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แหละพอจะเห็นการเกิดการดับนั่นแหละเป็นนิมิตสิ่งเครื่องหมายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ปัญญาอันเห็นชัดซึ่งการเกิดและการดับเป็นปัญญาอันชําแน่เฉลี่ยมันจะทําลายมันจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้เราได้ทราบเลยว่าหากเราเห็นการเกิดดับเป็นเป็นเครื่องแน่นอนนะเป็นชี้ชัดเลยแล้วว่าการเกิดการดับที่เราเห็นอยู่อย่างนี้นหละมันจะไปทํำลายสว่าคแต่ต้องทราบในขณะที่เกิดที่ดับนั้นว่าเป็นการเกิดการดับของขันห้าอย่างไรแบบไหนเราต้องอธิบายให้จิตได้เข้าใจด้วยอันนี้สิ่งที่อาจจะอธิบายให้จิต ได้รับรู้เนี่ยคือความรู้ ừ, คือถ้าอย่างเงี้เนี่ยผมเอาความรู้จากในส่วนของพันไปจบเรียนศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยเอาให้จำได้เรื่อยๆเนี่ ย, ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้นทําได้แต่มันสู้การพินิจพิจารณาจนลงไปสู่ความเข้าใจเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งที่จะสามารถเข้าใจคณะแห่งความคิดโดยที่เห็นอริยสัจอยู่ในนั้นเห็นขันห้าอยู่ในนั้ น, นเห็นการเกิดการดับในอันเดียวนนั้นั้น เป็นความเข้าใจเห็นด้วยความเข้าใจรู้ด้วยความเข้าใจเช่นดึงความคิดผุดเกิดขึ้นในเวลานี้สมมุติว่าเราคิดถึงบ้านนะภาพที่เป็นบ้านาปรากฏขึ้นมาปั๊บอย่างเงี้ยภาพที่เป็นบ้านปรากฏขึ้นมาปั๊บเสร็จสิ่งนั้นคือการเกิดขึ้นของทุกเพราะอะไรเพราะขณะที่คิดเป็นสังขารขันภาพที่ปรากฏเป็น สัญญาขันไม่ใช่เหรอก็กําหนดหมายเราเป็นบ้านไงสัญญาขันไม่ใช่เหระความรู้สึกที่เรารับทราบกับความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเป็นเวทนาการรับรู้ภาพของบ้านเป็นวิญญาณกายขณะที่นั่งคิดเรานั่งคิดเราเดินคิดหรือยืนคิดอ่ะเป็นรูปประหัรเฮ้ยยังขณะหนึ่งความคิด เราสามารถรับทราบขันห้าแล้วก็ขันห้าทั้งหมดจัดเป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะเป็นของควรคนละคนละเหรคนรู้คนรับรู้คนรู้คนรู้ทุกขสัจจะหนึ่งความคิดเห็นไหมเป็นทุกขสัจจะเป็นขันในขณะความคิดเดียวเพราะเมื่อหนึ่งความคิดเป็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะควรรู้เราก็ปฏิบัติได้ที่นี่ การปฏิบัติต่อทุกนั้นเป็นการเจริญมากและสมาธิถิ่มากปฏิบัติต่อทุกคืยการรู้ อ, อยากกลับนึกภาพบ้านปุ๊บอยากกลับไปบ้านหรอไม่อยากกลับอยากไปไหรือไม่อยากไปอย่างเงี้ยถ้าอยากปุ๊บเนี่ยก็เป็นสมุ ท, ทยัยเห็นไหมแล้วถ้าไม่อยากก็ถือว่าเป็นสมุทัยไหมคะไม่อยากไม่อยากเราก็ต้องดูว่าขณะที่มีภาพบ้านปุดเกิดขึ้นนั้นปั๊บเนี่ยเรามีความรู้ไหมถ้าเรารู้ทุกอยู่ อวิชชาจะไม่เข้ามาแทรกเมื่ออวิชชาไม่เข้ามาแทรกสมุทัยก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่ได้รู้ไ ม, ไ, ไ, ไม่ได้รู้ในว่ามันเป็นขันห้าในขนาดเดียวกันนั้นแล้วก็ไม่รู้อริยสัจในขณะเดียวกันนั้นว อ, น ว, นนนอวิชชาจะเข้ามาแทรกสมุทัยก็เกิดความอยากตัณหาก็เกิดอวิชชาตัณหาอุปทานมันจะมา<ง>ด้วยกันมันจะไม่แยกกัน<ไ>เป็นเพียงแต่ว่าเรายัง<ๆ>ไม่เห็นหน้าตาของตัณหามากแต่อวิชชาจะกําลังสร้างตัวหรือก่อตัว สุดท้ายก็จะเป็นแรงของตัณหาขึ้นมาในภายหลังลึกลึกให้เราไปกอดยึด <c oughs> สัณหาคือความอยากเป็นเป็นสิ่งที่ควรละความดับไปของตัณหาอย่างเช่นภาพขึ้นมาปับ๊บเรารู้ตัวปับ๊บภาพนั้นดับไปหนึ่งความคิดดับไป <c oughs> ก็เห็นความดับไปของความทุกข์เพราะนิโรธคือเห็นความดับไปของทุกข์ก็คือเห็นความดับไปของตัณหา น, นั้นเนี่ยเพราะการที่ไปคิด ขณะที่เรานั่งฟังเหตุฟังทำอยู่ทําไมแวบไหนที่บ้านได้ก็มาจากอํานาจของต่างหาคือความไม่รู้มาจากตัาหานั่นเองพอเราเห็นมันดับไปก็เห็นความดับไปคําว่าเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นอาการที่เป็นทุกข์ทวรนทุรายแล้วนะเป็นความเดือดร้อนแล้วนะเห็นสภาพของการปรุงแต่งของขันกันเพราะตัวขันทั้งหมดเป็นตัวทุกข์เข้าใจไหมไม่ใช่สักรอทุกข์ก่อนนะไอ้รอทุกข์รอรอรมานเดือดร้อนนั้นเป็นทุกข์ก็เป็นทนายทุกข์ะตัวทุกข์เขาเลยแล้วนี่ทุกข์ในขัน การเห็นภาพหนึ่งความคิดที่ผุดเกิดขึ้นและดับไปก็เห็นทุกขลักษณะความไม่คงที่ความไม่คงทน<ม>ถาวรของนามขันของความคิด<ม>แค่ความคิดเดียวเราสามารถเรียนรู้อริยสัจเรียนรู้การเกิดการดับเรียนรู้การเรียนรู้ขันห้าขันสี่เรียนรู้อย่างมรรคแปดเราจะเจริญมรรคหรือไม่เจริญมรรคอยู่ตรงเนี้ยในเวลาเดียวกันได้ตัวเนี้ยจะพาเราคนทุกได้มากกว่า ถ้าเราเรียนรู้ในขณะถ้าเราฉลาดเรียนรู้ในอารมณ์เดียวทุกทุกครั้งที่อารมณ์ในจิตกุดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ขนาดนั้นนั่นหมายถึงว่าขณะที่เราเห็นความคิดนั้นจิตเราต้องพี่นะถ้าสี่ดินนับไฟลมกลางไว้แล้วเรียบร้อยเป็นพื้นฐานไปแล้วแยกเวทนาแยกสัญญาแยกสังขารแยกวิญ ญ, ญาณเป็นความรู้รองรับไปเรียบร้อยเลย <c oughs> เพราะนั้นการเพ่งพินิจ ด, ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตขณะนั้นมันจะต้องเป็นการดูโดยการมีฐานแห่งความรู้รองรับอยู่ตลอดเวลา เราจะได้ไม่หลบอาการที่เก er ิดขึ้นของอารมณ์ในจิตในเวลานั้นแล้วมันดับไปยังไงเกิดขึ้นยังไงดับไปยังไงเกิดขึ้นดับไปยังไงอย่างเนี้ยถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าเรา่านี้เนี่ยถ้าเกิดเหมือนเดิมเกิดเหมือนเดิมเกิดเหมือนเดิมใช่มันก็จะรู้ทุกรู้เห็นให้เกิดทุกรู้ความดับของทุกคือรู้เกิดรู้ดับแล้วก็รู้ว่าการรู้อย่างเนี้ยคือการที่จะเป็นการปฏิบัติเพื่อจะดับทุกคือมั้ยเนอะผมรู้เหมือนเดิมรู้เหมือนเดิมพอพูดใ้เจ้าจึงใช้คาว่าปริยัต ป, ปริวัติเนี่ยเรียนเรียนรอบรู้อย่างเงี้ ย, ร, ยรู้แบบเดิมรู้แบบเดิมแต่ความรู้จะไม่เท่าเดิมมันจะเพิ่มคูณเพิ่มคูณเพิ่มคูณเพิ่มคูณเป็นตัวสติขึ้นมาพัฒนาไปเป็นปัญญาอชัดมากขึ้นใช่ชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนแวบหนึ่งแล้วก็ดับอย่างที่อธิบายฟังว่ายิบยิบยังไม่ทันได้ปรุแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรเลยดับปึ๊บแต่เราเรารู้ชัดเลยว่าขณะนั้นคือการก่อตัวของขันแม่เล็กๆเป็นเชื้อเล็กๆน้อยๆเรายังร้เลยว่าขันหอยู่ในนั้นก็มี คืออนุมานเอาเลยเลยว่าขันท่ามันพ้อมูลและมันถึงเริ่มมีแต่ยังไม่ส่งออกมาเป็นเป็นภาพเป็นสังขารเป็นอย่างชัดเจนไงเข้าใจไหมยังไม่ใช่เวทนาะยง่แต่ว่าเรารู้ว่าปร๊ บ, บ, บนั่นแหละใช่แล้วปั๊บดับรู้ทันปั๊บแนบประกอบ ป, ปุ๊บดับปึ๊บเวฟขึ้นมาอีกแนบประกอบปั๊บดับปึ๊บเพราเรารู้แล้วพอรู้มันจะจี้องจี้ลงจี้ลงจนขาสะบั้นออกไปพระนิพพานก็ปรากฏกับจิตทีนี้ก็ นิมิตฟ้ากดขึ้นมาเหมือนกับฟ้าดินถล่มทลายอันนั้นเป็นเป็ น, ปนอธัธยาไัยเฉพาะบุคคลไอ้เอ็นิมิตเนี่ย<ม>เห็นปากปุ่มนรกคือจิตที่เราจะได้ไปางปากปุ่มนรกปิดหมดเลยในส่วนตัวของอาตมาเนี่ยมันมีบาลีปุดขึ้นมาก่อนคีณะนิรโยขึ้นมาเลยปั๊บพอคําว่าคีณะนิริโยปุดเกิดขึ้นเป็นบาลีปุดเกิดขึ้นปั๊บปากปากุ่มนรกกับบื้อขึ้นมาให้เห็นเลยทียนี้เปิดให้เห็นเลยนรกอผู้มีนรกสิ้นแล้ว ฝากคุณรถ ป, ปิดหมดอันนี้เบื้องต้นที่นี้เราจะฉลาดในการปฏิบัติในชัดต่อไปว่าจะปฏิบัติยังไงต่อไปมันจะไม่ยากกลับมาอ่านพระไตรปิฎกที่หลังก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรพราจารย์คะ ใ, ในหนึ่งความคิดเนี่ยถ้าเรากําหนดรู้ทุกไปอย่างนี้เรื่อยๆเกิดเป็นปัญญาในที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าในหนึ่งความคิดในแต่ละวันของเราเนี่ยเรากําหนด ไม่ทันหรือไม่ทันกําหนดอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นภพชาติไปเรื่อยๆใช่เพราะนั้นการพี่น้าแยกธาตุแยกขันจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่จะต้องกระทําขึ้นให้เป็นพื้นฐานรองรับในจิตเพราะในคาที่ดูเกิดดูดับนั้นต้องพี่น้าแยกขันไว้ก่อนแยกร่างกายเป็นธาสี่ินน้ไฟลมแยกเวทนาออกแยกสัญญาแยกสัญขานแยกทิฏาิออกแล้วเห็นเฉพาะอารมณ์ที่เกิดว่าอารมณ์มาจากขันไหนอย่าเพิ่งไปสนใจว่าขันไหนให้รู้ว่ามันกิดมันเกิดแล้วมันดับ เกิดยังไงดับยังไงเท่านั้นดีเทนพันตอบมาว่าเข้าใจค่ะ่ะกี้ที่อาจารถามว่าบุคคลเข้าใจไหมอ๋อไม่ค่อยมีคนถามเท่าไหร่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากที่จะอธิบายให้ฟังอาตมาเลยยังไม่สามารถยกตัวอย่างที่ดีกว่านี้มาให้มาให้ฟังว่าอุปภพาณิมิตรเป็นยังไง แต่อธิบายตามที่ประจักษ์มาเราจะมาสบมาให้ฟังเท่านั้นเองคืออ ย, อย่าไปตีคาว่านิมิตไปเป็นเรื่องของอัศาจรรย์อะไรเท่าไหร่เรื่องมังนิมิตนะี้นเป็นแค่เครื่องบ่งบอกเท่านั้นเองเช่นเสียงที่ได้ยินนี้ก็เป็นนิมิตเรากําลังนั่งฟังเสียงเนี่ยต่างจากเสียงอื่นเสียงที่อาตมาพูดออกไปเป็นนิมิตหมายให้ทราบถึงธรรมะใช่ไหม จึงเป็นเสียงแห่งคําเป็นนิมิตเสียงก็เป็นนิมิตกินก็เป็นนิมิตรถก็เป็นนิมิตสิ่งที่สัมผัสกับกายก็เป็นนิมิตเอารกณ์เกิดกับใจก็เป็นนิมิตเรื่องของนิมิตดีทุกอย่างเป็นนิมิตได้หมดถ้าจะจับเอาไปเป็นนิมิตแต่หากจิตเข้าถึงที่สุดแล้วอันที่สุดท้ายแล้วน่ะอันนั้นไม่มีนิมิตถ้าจะเอาที่สุดนะนะมรรคจิตแล้วก็ อัลฮัตมกะอัลตัิ ต, ตจะไม่มีนิมิตปร า, ากฏแต่กบางคนเนี่ยิมิแล้วก็เกิดไม่สบายใจ<ม>อยากไปทําี่ดีกรรมอะไรนะก็หรือว่าใช้ไม่ได้นะคะคือนิมิตก็คือนิมิตเฉยๆรับรู้รับทราบก่อนนิมิตที่จะเกิดีเราไนิมิต ด, ด้วยมแล้วเรามาตีเป็นเป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีอะไรกันนก่ การตีนิมิตอย่างนั้นเป็นการตีแบบทํานองของพรางเขาเรียกว่าไปจับเอาประเด็นของอย่างเช่นเสียงกาล้องเป็นลางร้ายหรือเปล่ากามันร้องอย่างเงี้ยเป็นไปจับเสียงกาที่ร้องมันร้องกี่ครั้งตีเป็นนิมิตเวลาจะ อ, อ, นนอันนี้เขาเรียกว่าไปไปลงนิดๆอันนี้ กามันก็ร้องนี่กามันยังไม่ตายกาตายแล้วมันไม่ร้องหรอกบอกว่าถ้ากามาวนร้องวนที่บ้านจะมีจิ้จบอะไรประมาณนะครับจิ้มจบมากไม่เรื่องมันจะเกิดมันยังไงก็เกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกอันไม่ใช่เกี่ยวกับร่างสั่นหอนถ้ามันมีเหตุเขามันก็ใช่เป็นการโดนบัาลอะไรให้ทราบบางอย่างแต่แล้วก็หลีกไม่ได้ก็ต้องยอมก็ต้องยอมสิ่งที่มันจะเกิดมันยังไงก็ต้องเกิดมันหลีกไม่ได้ก็คือไม่ได้จะมันทำได้ มันทอนได้อาตมานี่เดินชนมันเลยมันจะเกิดก็เกิดไป อ, อย่างนั้นร่างสามอ่อนก็ไม่มีประโยชน์อ่ะไหวมั้นะครับ <c oughs> มันจะมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าใครถ้าใครเข้าใจวิธีการใช้ก็จะเกิดประโยชน์เป็นวิชาแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะโง่ ทำไมม า, มามเทามันมี่ามันก็รไม่ใช่เผื่อขอโมยมาเราก็จะได้รู้ไงใช้มันเป็นประโยชน์ดีจะไหม <c oughs> คนแปลกหน้าคนหน้าแปลกมาเอาขอโมยมาหรือเปล่าอะไอย่างเงี้ยคิดไปคนละอย่าง <c oughs> เราก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่ <c oughs> แต่ถามันมีามันก็ไม่เทาอันนั้นก็บางเกินไปทํานะัเกินไปทำมากเกินไป <c oughs> โดยเฉพาะอยู่ในป่านี่ถ้าหมาเขานี้ต้องตั้งตัวเลยแหละบางทีมันเจองูไงงูมันเลื้อยเข้ามาหาเราหมาเขาดักหน้าไว้บ่อนก็เป็นเครื่องหมายทราบวานที่อาจารย์บอกว่าให้ไปทำเจ็ดวาันจะทำหรือเปล่าพร้อมทำ ลงไมเข้าองเริ่มใหม่ดับดึงใหม่ก็ดับดึงใหม่นี่ก็ไปดูว่าในส่วนที่เราทำไปมันติดแค่ไมันไม่ว่าสักทีก็ไปดูที่บ้านมันก็มีบางส่วนนะนะก็เลยเอาเก็บเก็บออกไปหมดเลยเขาให้มาเวลาเวลาคลิปที่เราที่เราติดตรงนั้นตรงนี้ตรงี้ที่เราเห็นอยู่แต่นี้ ไม่มีละควมรู้สึกว่ามันมันโล่งบนโลกมันก็ไม่มีอะไรพอไม่มีอะไรพวกนี้แล้วคิดว่าเอ้ยมันโล่งไม่หรอกันมันไม่เกี่ยวกับการเราออกหรือไม่ออกเกี่ยวกับกระแสของจิดเรามันยังติดอยู่หรือเปล่าแต่ตะมานี่เห็นมันขาดขาดปั๊บอำนาจพระ่างกายเลยผลขึ้นรองรับทันทีในเวลานี้ยมันขาดคือขาดจริงๆแคลร์ออกไปแค่ไม่เห็นไม่ให้จิตเกาะเกี่ยวเท่านั้นเองอันนั้นยังไม่ขาดขาดคือ จิตที่มันเคยยึดมาแต่ก่อนๆมันก็ขาดด้วยไ้หมจากมันเห็นกระแสของจิตทั้งๆ ท, ที่เราสิที่เราเคยยึดไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กรู้เลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเรากล า, าบมาตั้งแต่เด็กจิตเห็นกระแสของจิตที่ยึดอยู่กับรูปเคารพอันนั้นซึ่งไม่รู้ว่าไปไหนแล้วแล้วเราก็ไปเคยเห็นแล้วเราเราเคยทําตั้งแต่เป็นเด็กปันณิหิ้งพระอยู่ที่บ้านจนยึดรูปอ่าพตทธรูปอยู่ที่วัดที่เราเคยขัดเคยถู ด้วยน้ํายาปลาโตเนี่ยโหให้เรียบเงาเลยนะแต่ปอดเกือพังออสกินมันแรงมาพทุบทุ่งแล้วก็จิตมันยึดลูกนั้นลูกนี้มันเห็นไปบอดเลยนะกระแสนเนี่ยเป็นกระแสเหมือนเคลื่นสัญญาณไปเลยสีทองทองเป็นเส้นยึดอยู่กับมันโมันยึดโยงไวหลากหลายอันมากเลยนะทั้งที่อันนั้นน่ะมันผ่านไปแล้วแต่ทําไมจิตยึดโยงมันยังมีอยู่ ทีนี้มันเห็นค า, าดได้ขนาดนั้นแล้วขาดปึ๊บกระแสนัขาดออกไปปิดอํานาจพระพุธทธรัตนขุดขึ้นรองรับผิดว่ากทันทีเป็นดวงแก้วใสๆปิ้งขึ้นมาโอ้มันรู้ชัดมันเห็นชัดอย่างนั้นมันมันเป็นเครื่องประจักษ์จิตประจักษ์ใจความทุกข์ที่มีอยู่ในใจในเวลานั้นมันหา ย, ยหมดเลยไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก็เลยเข้าใจว่าพระรันาตนตรัยเป็นเครื่องกาจัดทุกข์ได้จริงจริงนเอง เวนเมื่อวานวัี้ตนแต่ไคือเมื่อวาเป็่หมออยู่คือเราที่าของคือพงเร่พูดตั้งนาจารแล้วมันก็เออไม่มีรรมอไงอย่างต่อไปมาต้องไปสอนใหม่นนต้องสอนให้เริ่มจับฐานพรงจิตใหม่มันจะได้เห็นอะไรเกิดจากจิตเยอะแยะมากมายเห็นเห็นเกิดพวกกระแสยึดโยงความใจต่างๆเป็นกระแสจริงๆนะ เห็นจริงๆเห็นด้วยตาเป่าธรรมดาๆไม่ได้นงสมาธิจนภาษาที่สามนี่เห็นในกระทั่งว่าจิตสร้างพบขึ้นมาในขณะนั้นทันทีเลยตืนขึ้นมาปุ๊บเลืมตาปั๊บสิ่งที่เห็นนั่นะสร้างพบไป็จแล้วเรียบร้อยปฏิสนธิเป็นภพเลยนะสิ่งที่ได้ยินเข้าหูจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแวบเข้ามานี่สร้างภพไปเรียบร้อยเลขนาดนั้นเลยรวดเร็วมากก็เลย โ อ, โ, โอ้โหแล้วใครจะหนีออกไปได้ง่ายๆมันมีวัตฏะนี่ถ้าใครไม่รู้ทันต่อกระแสป้องการสร้างควบป้องกิดไว้อย่างนี้มันทำไมมีจนไม่อยากจะสอนใครเพราะว่ายากมากที่จะดึงกิตออกจากกระแสของปวงนี้ได้พระยอาจึงบอกว่าสติเตสระนิวัลนังมัรดากระแสทั้ายทั้งปวงในโลกนี้สติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกว่านั้นอ๋อมันมีตัวแก้กันอยู่ใช้สติเป็นตัวแก้ ไม่ให้จิตมันเปในกระแสหรอกนเพื่อดึงเข้ามาสู่แล้มันตกอยู่ในกระแสขององนิพาณถ้าจิตใ ด, ดก็ตามตกอยู่ในกระแสอานิพาแล้วจิต ด, ดวงนั้นจะไม่หมุนกลับไปสู่บุชนอีกเลยตลอดนาฏกรรมก็คือาจิตยักษาพูดภาษาสามารถพัฒนาจิตขึ้นระดับแต่จิตพัฒนาจิตในระดับมันจะพัฒนาไปเรื่อย่อ ธรรมะ ม, มีความอาัศจรรย์ในตัวข้ามันอยู่มีคุณค่าในตัวข้ามันอยู่มีความประเสริฐในตัวข้ามันอยู่มีความยอดเยี่ยมอยู่ภายในตัวมีอำนาจในตัวข้ามันอยู่อำนาจแห่งธรับไม่ใช่อำนาจเอาไปอะไรใชออนน้อำนาจอันนั้นอำนาจอันนี้อำนาจธรรมะอยู่ในใจเราไม่ต้องไป ร, รออำนาจศักด์สิทธิ์อำนา จ, จ, านาจบนบรรดาในของใครอยู่ชีวิตกับความเป็นจริงวางใจ ก, กับความเป็นจริงความจริงเป็นจริงเป็นอย่างนี้ ก็เป็นอย่างนี้มันจะเป็นก็เป็นมันจะตายก็ตายมันมันตายอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันจะเป็นถ้ามันจะเป็นมันตายอยู่แล้วถ้ามันจะตายถ้ามันไม่เป็นมันไม่ตายมันก็ไม่เป็นไม่ตายกับอะไรมันก็เป็นพของมันอย่างนั้นธรรมชาติของใจมันก็ไม่ปฏิเสธกับอะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยใจนี่เฉยเมยอะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดตามเพราวะของมันนั้นก็ไม่ใช่อย่างนั้วมันเป็นความฉลาดอยู่ภายในอยู่ไม่ได้ทํานั้นไม่เขาเรียกว่าจิตมันจะไม่สร้างฟุ้งเพิ่มไม่ก่อภพก่อชาติเพิ่ม จะรู้มันจะฉลาดแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติแก้ปัญหาตามปกติยิ่งปัญหาเยอะยิ่งปัญญาเยอะยิ่งเข้ามาแก้เป็นเครื่องวัดปัญญาของเราปัญหาต่างคนที่ไม่ยอมรับปัญหาน่ะคือคนที่จะไม่ไม่เข้าใจความจริงของชีวิตปัญญาจะไม่ค่อยดีปัญญาคือเกิดจากการรู้ปัญหารู้เหตุที่เกิดปัญหารู้ความดับไปของปัญหารู้ทางที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะดับปัญหา เพราะนั้นปัญญาจะอยู่ที่ปัญหานะสิบเอ็ดโมงแล้วก็พอสมควรแก่เวลาในวันนี้ขอจเจริพญพญรยินดีกัทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ที่ได้ถามคำถามมาขอห